ขยับเข้ามาตื่นตื่นแล้วขยับเข้ามาฟังเทศไปปลุกคนนอนหลับมาเทศการฟังเทศเป็นอุดมมงคลเทศตอนค่ำ เทศตอนดึกเทศตอนใกล้จะสว่างเทศกลางวันเทศตอนไหนเวลาไหนเป็นอุดมมงคล uh huh. เพราะในการเทศนั้นนะ่ะมีข้อปฏิบัติมีแนวปฏิบัติขึ uh ้น huh. ชื่อว่าข้อปฏิบัติหรือแนวปฏิบัติคือแบบฝึกแบบหัดแบบดัก สิริดั ก, ก จ, จิตใจทั้งนั้นไม่สำคัญว่าแสดงตอนไหนแสดงณนะสถานที่ใดเป็นสริริเป็นมงคลทั้งนั้นอยู่ในที่มืดในที่แจ้งอยู่ในที่โห์ฐานอยู่ในที่ทุกข์ยากลำบากกันดานเศร้าโศกวิโยคคร่ำครวญขนาดไหนก็นตาม เป็นสริริเป็นมงคลเป็นสิริของใจและเป็นมงคลของการเวลาที่เราจะทำความเจริญให้กับใใหัวใจของเรา <c oughs> อ้าพร้อมแล้วเอาได้ นะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสมมาสมบุติทัสสะนะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสมมาสมบุติทัสสะนะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสมมาสมบุติทัสสะปุจายาปุจน尼ยานังเอตัมังกลมุตตมันติ <c oughs> นั่งภาวนาไปด้วยนั่งฟังไปด้วยเพราะเรื่องฟังนั้นพวกเราฟังบ่อยๆการฟังบ่อยๆเข้าใจเนื้อหาของของอัดของธรรมบ่อยๆทำให้เรา <c oughs> นำมาใคร่ควรวนตามระพฤติตามปฏิบัติตามและเข้าใจตามครูบาอาจารย์สมัย พ, พระพุทธเจ้ายังทรงไปชนอยู่ท่านก็ฟังไปด้วยท่านก็ทรงกระแสกระแสจิตตามธรรมไปด้วยจิตของท่านก็เข้าถึงธรรมเจริเหือนแห้งต่อ น, นั่นเลยเทศจบได้อาจได้ธรรมยังไม่น้อยได้พระโสดาบุตรียาแสดงธรรมจบได้พระโสดาบุตเช่นอย่างพระอัญ ญ, ญาโพธัญาที่เราฟังเทศนตั้งแต่หัวคำ ทูท่นันแสดงการอย่างโภชนญ า, ญาความธรรมจักรกับประวัตินาสูตรจบได้ดวงตาเห็นธรรมได้ดวงตาเห็นธรรมการที่เห็นธรรมเห็นธรรมนั้นนะไม่ได้หมายความว่าเข้าไปเห็นแก้วแหวนเงินทองที่ไห น, นการเข้าไปเห็นกระแสของธรรมชาตินั่นนะคือการเห็นธรรม คำว่าทรทธทรมาแพลภาษาบาลีธรรมะธรรมะทอธงไมฮันากาศมอมะสะกดแล้กมอมะอีกตัวนึ้งธรรมะทมทอรอรมธรรมะธรรมะอันนี้แผลงมาเป็นสัญกักษณ์แผลมาแล้วมาเป็นสัญกฤณ์เป็นธรรมะ คืสภาพอันส่งไว้ความจริงอย่างได้อย่างหนึ่งทรงไว้อย่างได้อย่างหนึ่งตามภาวะของมันอันนี้แหละคือภาวะของธรรมเราฟังแต่ว่าธรรมธรรมที่เราทั้งอกตั้งใจท่าเรียนศึศกษาฝึนฝนอบรมคืออะไรกนันเนาะคืออะไรกนันหนอะคือเราพยายามจะเจาะลึกเข้าไปถึงหลักของสัตว์จะทำคือหลักของธรรมชาตินัอนอ่นเอง พระยาโกณธัญญาท่านได้พระสนาบันได้ลงตาถึงธรรมด้วยหัวหัวข้อธรรมบทที่ว่าสิ่งหน้าจงหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาการการที่เข้าไปเห็นกระแสธรรมเหล่านี้แหละคือเข้าไปเห็นอ น, นิจจังทุกขงังานตานี่เองไม่ได้เข้าไปเห็นแก้วแหวนเงินทองที่ไห น, น จิตของคนเราเมื่อเข้าไปเห็นกระแสธรรมไปเห็นหลักธรรมชาติจิตมันก็ยอมรับเมื่อยอมรับมันก็ปล่อยวาเมื่อยอมรับแล้วก็ปล่อยวางไม่ต้องบอกให้ปล่อยมันก็ปล่อยโดยหลักธรรมชาติของมันเพราะเข้าไปเห็นความทุกข์ภาวะอ น, นั้นคือภาวะของความทุกข์ทุกขันภาวะของอนิจจ์มันเปลี่ยนไปจากความทุกข์ ไนิจังยังไงทุกขังก็ย่างนั้นทุกขังยังไงไอ้จังก็อย่างนั้นทั้งไอิจังทั้งทุกขังคือภาวะดั้งเดิมของธรรมชาติเราจะเอาจิตของเราไปดัดแปลงไปแก้ไขได้ยังไงความอยากภายในใจของเรามันอยากสารพัดอยากตามอำนาจของตัณหาจะเลยเอาความอยากของใจของตัวเองไปปฏิเสธสิ่งที่เขามีเขาเป็นตามภาวะของเขา มันไม่ใช่เป็นไปตามภาวะของจิตที่มีความอยากมันห่างกันหรือมันขาดกันเหมือนหินหัะมันต่อกันไม่ติดถ้าหากพิจารณาแล้วๆเล่าๆพิจารณามาถึงตรงนี้เรจะเห็นความโง่ของจิตของเราโง่แล้วเกินโง่แล้วเกินทำไมเอาสิ่งที่ต่อกันไม่ได้มาต่อให้มันติดกันโง่ามากอัตตาอักตา ด้วยเห็นที่เราต้องการที่เป็นไปตามใจความงเราไม่ได้นั้นี่พระพุทธเจ้าต้องทรงตรัสว่าอนัตตาอนัตตาแต่กิเลสในใจของเรามันบอกว่าต้องอัตตาต้องอัตตาความรู้สึกอัตตาเวลามันเกิดขึ้นในตัวเราเราดูออกไหมความรู้สึกว่ามีตัวมีตนมันยิ่งมันใหญ่มันมียศมีศักดิ์มีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีอะไรมันพอตัวท่านยอมพองตัว นั่นแหละคือตัวอัตตาเวลามันเกิดขึ้นตอนนั้นอ่ะความที่แท้จริงของผิดมันรู้ทันไหมการที่จะเข้าไปสู่สจะทำที่แท้จริงมันรู้ได้ไห ม, มแม้แต่เราไม่ใช่หมาเนี่ยเขาด่าว่าไอ้ลูกหมาไอ้ลูกหมามันยังเครียดเราเคยได้ยินพ่อคนหนึ่งด่าลูกของตัวเองไอ้ลูกหมาโอ้โหลูกมันเครียดจนตาดำตาแดงไม่เข้าบ้านเป็นเดือนนะ แน่มันเคยย้อนหาังดูตัวนเองไหมมันเป็นหมาจริงหรือเปล่าแล้วพ่อเขามันก็เป็นหมาหญิงหรือเปล่าทำไ ม, มันถึงเขียด น, นั่นแหละคืออัตตาความถือเนื้อถือตัวนะั่นแหละคืออัตตาการที่เราตั้งใจปฏิบัติธรรมนี่ยเราตั้งใจปฏิบัติเพื่อละอัตตา อัตตานี้มันไม่ใช่หลักธรรมชาติมันไม่ใช่ธรรมมันเป็นกิเลสมันเป็นลูกสมุนของตัณหาเมื่อตัณหามันโผล่ขึ้นมาเกาะจิตของเราทีไรเมื่อไหรอัตตามันก็โผล่ขึ้นมาอัตตามันโผล่ขึ้นมาทีไรเมื่อไหร่ความถือเนื้อถือตัวมันก็โผล่ขึ้นมาล่อเรายื้แย่งแข่งแข่งขันกันทำมาหากินอต้อง มีรบราฆ้าฟันมีศึกศัตรูมีคนีขึ้นร้องขึ้นศาลอะไรอะไรสารพัดพยายามมาต่อกรกันกับสิ่งเหล่านี้มาขัดแย้งกันมัาขัดท้องกันมาต่อกรกันมาต่อสู้กันขึ้นร้องขึ้นศาลต้องประหารประหารกันละกันอย่าว่าแต่อย่างอื่นเลยแม้แต่ลัทธิลัทธิที่ว่าลัทธิศาสนาเนี่ยที่พยายามจะสอนคนให้ดีสอนคนให้ดี เพราะมันเกิดการขัดแย้งกันมามันปฏิปปราศัยที่ไหนวะสอนศาสนามันไม่ได้ปริปัยมันจับพวกเราใสาชนกันฆ่ากันเขาฆ่าเราห้าฟาดเขาสิบเขาฆ่าเราสิบฟาดเขาเป็นร้อยเขาฟาดเราเป็นร้อยเขาฟาดเราเป็นร้อยฟาดเขาเป็นนุ่นเป็นปรมาณูเป็นมิวเลียเราที่อัตตาเวลามัมโถขึ้นมา ที่พวกเราผิดกันทะเลาะ ก, กันพ่อกับลูกทะเลาะ ก, กันพ่อแม่กับลูกทะเลาะ ก, กันลูกกับลกูกพี่กับน้องทะเลาะ ก, กันแย่งชิงสมบัติของการและกันก็คืออัตตาตัวนี้แหละมันโผล่ขึ้นมาเข้าไปเห็นก้ น, นมือของหัวใจที่มันมีความไม่ฉลาดในตัวของมันทำให้เรายึดและเกินถือและเกินว่าเป็นอัตตาว่าเป็นตัวว่าเป็นตนพระพุิธเจ้า ไม่ใช่หมายความว่ า, วาท่านจะไม่มีหมู่ที่จะแสะดงธรรมให้ฟังแต่ภายในประเทศไทยขอพระองค์เร็งแล้วใครบ้างที่ควรจะได้รับอัดรับธรรมจากพระองค์ากนั้นพระองค์จะมาตรวจสำรวจตรวจตราดูนะพุทธกิจพุทธกิจเรบไปดูดิอ่าพุทธกิจ พุทธกิดห้าตอบปัญหาเทวดาเวลาใกล้จะสว่างเล็งรูสัตวโลกคำว่าเล็งรูสัตวโลกน่แค่คลิกจิตถ้าเราจะเทีย yes. ่ยงกล้วม um ันก็รับคลิกไอ้โูปอะไรทุกวันเนี่ยคลิกคอมพิวเตอร์แค่เราคลิกจิตคลิกคิกคลิกรู้หมด เขาให่หมดรู้หมดอยู่ตรงไหนอะไรตรงไหนเสด็จไปโปรดได้อย่างสบายเสด็จไปโปรดได้อย่างสบายท่านไปโปรดคนที่มีบุญมีวาสนาพร้อมที่จะมีกระแสจิตถึงอัตถิธรรมของโปรดโปรดก็เสด็จไปโปรดไปแบบไม่ต้องถามใครดอกบนทางไปตรงไหนตรงไดูเจอโปรดโปรดหมดไม่ต้องมี G P S เหมือนอย่างพวกเราดอกพระติจ้าท่านดูดิความสามารถของเรา ฉะนั้นบารมีของพระองค์ที่สร้างมาอย่างพระพุทธโกดมเราสี่อสุนงค์ไข่แสนมหากรรมสร้างมาทำไมบารมีทั้งสี่อสุงไข่กับแสนมหากรรมซึ่งเป็นระยะเวลาที่เนิ่นนานเท่าไหร่เรามาดูแต่กับหนึ่งกับหนึ่งนี่ยมันนานแักเท่าไหร่ไอ้แค่ยังกับปัจจุบันเนี่ยที่เราเป็นอยู่นี่พัดกรกับพัดกรกลับมีพระพุทธเจ้าตั้งห้าพระองค์เรามาคิ ด, ดี้ดูดิสี่แสนมหากรรมแสนกับ มันไม่ใช่ธรรมดาเนะ่ไอ้แค่กับหนึ่งกับหนึ่งมันเนิ่นนานสักเท่าไหร่ระหว่างพระพุทธเจ้าองคหนึ่งกับพุทธเจ้าอีกองค์หนึ่งแล้ว่าทันดอนหนึ่งพุทธันดอนหนึ่งมันเนิ่นนานสักเท่าไหร่ว่าพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งจะมาบวชต่อในกับหนึ่งในกับหนึ่งมันนานสักเท่าไหร่และอย่างกับนี้เนี่ยพัดพระกับพัดพระกับเป็นกับที่งานพระพุทธเจ้ามาบัชตั้งห้าพระองค์ลองทีบางกับไม่มีพระพุทธเจ้าไปบวชเลยบางกับมีพระพุทธเจ้าไปอบวช สององบางกับมีพระพุทธเจ้าไปบำบัดสามองแค่นั้นแหละบางกับไม่มีพระพุทธเจ้าไปบำบัดเลยแล้วโลกมนุษย์จะอยู่จะอยู่กันยังไงใครจะไปปลุกให้ตื่นให้รู้สึกเนื้อรู้สึกตัวก็มองกันเห็นเป็นเนื้อเป็นสัตว์เป็นยุ่งวิคสัน์อีกรรไปหมดนี่พระพุทธเจ้าท่านสร้างาบารมีสร้างมาทำไมท่านตั้งปณิธานแค่พระองค์ป ร, ปรารถนาพุทโธโหมิ อนาคตกาลีปรธนาเป็นพระพุทธเจ้าแค่ออกพระโสดแค่นี้ต้องสร้างบารมีถึงสี่อสองไขยแสนมหากราไอตอนที่นึกคิดอยู่ในใจยังไม่ทันได้ออกปากเหมือนอย่างเรานึกคิดอยากพูดอะไรสักอย่างแต่เรายังไม่กล้าพูดออกมาเนี่พระพุทธเจ้าของเรารวมไปแล้วทั้งยี่สิบอสองไขยแสนมหากราบเรามาคิดดูดินี่ประเภทปัญญาขี้กะนะยิ่งด้วยปัญญา เอาไปเป็นประเภทศรัทธาธิกะแปอสองไขยแสนมาหมากับถ้ายิ่งด้วยวิญญาจิกะสิบหกอสองไขยแสนมาหมากับเรามีนาชัดเท่าไหร่เนิ่นนาสักเท่าไหร่บารมีนี้ท่สร้างมาทําไมสร้างมาเพื่อโปรดเวนใดยังไงเพราะฉะนั้นท่านจะไปติดตั้ท่านจะไม่กลัวมีมีหมอมีผู้อืจะมาแสดงทําให้ฟัง ม, มีมีคนจะมาฟังที่นของพระองค์ เมื่อตอนหัวค่ําสุบาจาันท์ก็แสดงธรรมท่านก็ว่าพรห ม, มาจารอกานี้นก็คือความเมตตากรุณานในใจของพระองค์นั่นแหละโผล่ขึ้นมาเพื่อที่จะโประสะสดสักแสดงเป็นธรรมาทิฐานท่านแสดงธรรมเป็นธรรมาทิฐานซึ่งเราก็ไม่ค่อยได้ยินในฝั่งที่ไหนใช่ไหมนีพรห ม, มาจารกาถ้ามหาพรหมโดยยกเอาไปเทียบว่าถ้ามหาพรหมพระพรหมก็คือ พรหม ว, วิหารสี่แท้จริงพรหม ว, วิหารสี่นั้นเป็นเครื่องอยู่ของพระพรหมเป็นเครื่องอยู่ของผู้ใหญ่มีเมตตามีกรณุการณามีมุติตามีอุเบกขาพรหมโดยคุณธรรมพรหมโดยชาติกาเนิดก็คือผู้ปฏิบัติธรรมจนถึงได้ได้รูปตองพรอรูปตองพรได้รู ป, ปรสมับัตอรู ป, ปรสมัคัต หรือได้รูปร ป, ประชานรูปประชานแหงรมมาจาโลกามาแสดงเพื่อโปรดโดยปกติคติตำนานเยี่ยงอย่างอะไรทุกอย่างท่านก็บังปูพื้นฐานไว้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นในเมื่อพองค์มันรู้ทำแล้วเนี่ยคนที่พระองค์เห็นว่าควรจะเคลียขี้ฝุ่นในตาแคะเดียวก็สว่ารงรูก็คืออาจารย์ทั้งสองเองนะท่ากับดาบทอาลารดาบท อาลาระดามบทนั้นพระองค์ไปฝึกได้สมาบาัติเจ็ดอุกกะดานบทไปฝึกสมาบัติแปดคำว่ า, าสมาบัติสมาบัตินี่เป็นภูมิลำดับของความสงบของใจมีริทมีเดีย ม, ม, มีอภิญญาอา่ารุสีเหล่านั้นอ่ะเขาฝึกมาเป็นเกือบทั้งชั่วอายุเขาได้สมาบาัติเจ็ดได้สมาบัติแปรพระองค์ไปเรียนจบภายในระยะเวลา ไ, ไม่กี่วันอาจารย์บอกว่าเธอเรียนจบแล้ว แต่พระองค์หันย้อนมาดูพระไถยของตรงนี่งยังมีกองทุกเต็มแพร่อยู่ในพระไทยโอ้ทุกวิทุกวิตกทุกห่วงใยทุกกังวลทุกอะไรอะไสารพัดที่มีอยู่ในพระไถยของเราไม่ใช่ถ้าถ้าเป็นทางถ้าถูกทางที่แท้จริงใจของเราจะต้องสว่างเบาโลภไม่มีอะไรตกค้างเหลืออยู่อันนี้ยังไม่ใช่เพราะฉะนั้นเลยเห็นว่าอาจารย์ก็หมดความรู้เห็นี้ล า, าจารย์ออกมาความเห็นโดยลำพังนี่ เห็นว่าอาจารย์โอ้โหละเอียดมากเลยละเอียดมากถ้าเพื่อได้ฟังเทศของพระพุทธเจ้าทั้งสององค์นั่นแหะพระองค์บอกว่าหันมาตรงนี้หันมาตรงนี้มาช่องนี้มาออกช่องนี้ส่งกระแสจิตตามพระธรรมเทศ น, นาไปทะลุไปเลยแค่นั้นเองแต่บรรดาวิพวกพราม์ทั้งหลายนั้นเขาถือว่าอเขาถืออัตตาพวกพรามเขาถืออัตตา พิพานของพระเขาเรียกว่าอัตมันอัตมันใครได้บรรลุธรรมไปถึงพระนิพพานได้ไปอยู่กับพระพรหมไปรวมกันเป็นหนึ่งเดียวกับพระมารตมันนั่นคือนิพพานของพระเพราะพวกนี้เขาบำเพ็ญฌานสมาบัติจนถึงขั้นรูปสมาบัติรูปสมาบัติจึงได้เกิดบนรลก ร, รับผลฌานสมาบัตินั้นมีความสุขอย่างไม่มีอะไรเปรียบเทียมเท่า แต่ถ้ายังไม่ถึงความสุขจากการบุดพ้นจากกิเลสนะยังไม่ถึงเสี้ยวเดียวยก็ยังไม่ถึงถ้ามันไม่มีตัวไม่มีตนจะเอาอะไรมาสุข น, น่ะเขาเขามีวัทะวันนี้ถ้าไม่มีตัวไม่มีตนจะเอาอะไรมาสุขมันต้องเพราะฉะมันต้องมีตนสิถึงจะได้เสียสูงได้ถึงจะได้เสยวยสูงได้เลยปล่อยอัตตาตัวตนลงไปได้ปล่อยอัตตาไม่ได้ เข้าสู่ฌานเสพสุขอย่างนั้นเข้าสู่ฌานเสพสุขอย่างนั้นเลยแต่แท้ที่จริงอาจารย์เหล่านั้นท่านเป็นท่านจะเป็นพระโพธิสัตว์ที่จะเป็นสาวกกระพุหรือพระโพธิสัตว์โ พ, พธิสัตว์ภูมิเราก็ทราบไม่ได้แต่ถ้าเป็นสาวกกระพุแสดงว่าท่านจะต้องเป็นบรรลุธรรมจากการฝังเหมือนอย่างปัญจวัคคีย์เขาเรียกว่าเป็นสาวกกระพุ เพราะท่นออกไปบำเพ็ญท่านหวั ง, วงจะฟังจากฟังธรรมจากปากของพระพุทธเจ้าจะได้ศรุตามจึงพยายามเที่ยวไปบำเพ็ญบำรุงดูแลรักษาพระพุทธเจ้าสิ้นระยะเวลาชี่เนื่อนนานหวังอย่างเดียวว่าพระองค์ไดทท้รรลุธรรมเชีอะไรเมื่ อ, อไหร่แล้วจะได้บอกบอกาบ้างปัญจวักขีนะเพราะยุคนั้นสมัยนั้นก็ถือว่าการบำเพ็ญอัตติธรรมธรรมมิโชน เป็นการที่ทําได้ยากใครทรมาสิ่งนี้ได้เอาจนเป็นจนตายเลือนเดินตายขึ้นมาได้คัดได้ทําแต่ทำของเขานั้นคืออะไรเราไม่รู้จักนะทำของเขาที่เขาจะได้บรรลุไปเพราะสิ่งที่ละเอียดไยโลกียะธรรมสิ่งที่ละเอียดไยโลกียะธรรมคือธรรมที่เป็นวิสัยของโลกนะั่นะเกินอรูปสมมติไปไม่มีแล้วละเอียดถึงขั้นนะั้น ถึงขั้นอรมณสมผสานโรคผสมผสานอารมณ์ผสามาบัตนก็ตามยังเป็นอุตุช น, น, นอยูนั่ะยังเป็นอุตุชนอยู่แต่ว่าจิตละเอียดมากแล้วเอามาตั้งยังไงก็อยู่อย่างนั้นแหละสมมติครั้งคืนมานั่งปอกกิปอกกายของเราเนะี่ยมาจำแหลกออกเป็นผมเป็นค น, นเป็นเล็กเป็นอะไจำแหลกยังไงก็อยู่อย่างนั้นอ่ะวาดภาพยังไงก็อยู่อย่างนั้นเอามาทํางานยังไงก็อยู่มาเจริญฌานกับจบทพิจาะอยไรยังไงก็อยู่อย่างนั้น เพราะจิตมันไม่ได้หิวเหมือนอย่างจิตของพวกเราพวาเราเนจิตหิว ห, by, หิวอารมณ์จิตมันหิวอารมณ์ที่จิตมันไม่สงบมันเพราะอะไรเพราะจิตมันหิวจิตหิวอารมณ์เหมือนอย่างเราหิวข้าวมันจิตมันหิวอารมณ์มันอารมณ์ของมันก็คือสิ่งที่เป็นรูปเป็นเสีย ง, เ ป, เ, ยงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัสนั่นแหละคืออารมณ์จิตมันหิวอั น, นั้นคือกระแสคือวงจรของจิต คือจักรวาลของกิตจักรวาลของกิตมัมีแค่นั้นแหละมันจะคิดไปมากน้อยแค่ไหนขนาดไหนก็ตามมันคิดอยู่ในวงจรของตาลกูกหูจมูกนิ้วกายใจที่มันเป็นกระแสเป็นวงจรของมันคำว่าธรรมารมธรรมารมคืออารมณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ในใจอารมณ์ที่น้องนึกนึกคิดอยู่ในใจเพราะในใจนั้นอ่ะมันมีสัญญาตัวสัญญาความจําได้ความหมายรู้ มันมีทั้งตัวจาได้มันมีทั้งตั ว, ตวหมายเขาที่พระพุทธเจ้าท่านทรงมาแสดงเปิดเผยที่หลังเนหลังจากพระองค์ได้มันได้มรนุธรรมแล้วอย่างนี้บอกพระพุทธเจ้าของเราหลังจากได้มรนุธรรมแล้วพระองค์มาเสวยมิมุติสุปอยู่ในบริเวณกุทธคยานะในที่เกตแห่งแห่งลนะเกตวันเกตวันสี่สิบเก้าวันไม่เสวยพระกษัตรยานะเสวยมิมุติสุข แทนเสวยข้าวสวยพระริยานสี่สิบเก้าวันก็นเท่ากับข้าวสี่สิบเก้าก้อนขางนางสุชาดานั่นในระหว่างที่ปรองเสวยสุขสี่สิบเจ็ดสี่สิบเก้าวันนั้นอ่ะปรงองทงทบทวนความรู้ที่ปรองได้บรรลุมาทบทวนอภิธรรมเนี้ยไขครัวอภิธรรมในเรือนแก้วทบทวนหลักปฏิจจสมุปบาทแล้วก็ทบทวนอีกสารพัด หลักวิชาการความรู้เทียมองได้เข้าถึงด้วยพระองค์แล้วนะั่นล่ะเราจะมาสอนลูกศิษย์ขององค์ได้ยังไงจะมาตั้งเป็นพุทธบริษัทปลูกฝังเป็นให้เป็นพิชสุภิษุริรยบาสุกบาสิกาได้ยังไงเพราะฉะนั้นพระองาไม่ติดทันดอกเราจะไปข้องคาข้องใจกับพระองค์เพราะไม่ข้องคาไม่ติดเป็นผู้เปีย่ยมไม่เคยมีความบกมีความร้องเป็นผู้ที่ชนะเด็ดขาดหนึ่งเดียว ในจักรวาลไม่มีใครชนะพระองค์ได้เป็นผู้ชนะเด็ดขาดคนเดียวอเป็นผู้เต็มปียังองเดียวเพราะฉะนั้นพระองค์เรามาดูที่วันที่พระองค์มาประสูติมาตรัสรู้มาปฏิภานเกิดในวันเพียเดือนหกประสูติวันเพียรเดือนหกตรัสรู้วันเพีเดือนหกปฏิภานวันเพียเดือนหกเป็นหลักเป็นปรัชญาชั้นเยี่ยว เพราะผู้เช่นนี้เป็นผู้ที่เต็มเปี่ยมด้วยบุญญาบารมีมาแล้ววันก็ต้องเป็นวันเต็มเปีย่ยมบารมีอะไรเต็มเปี่ยมหมดไม่มีขาดตกไม่มีบกพร่องไม่มีบินแม่แม็ถหินเม็ดสายไม่มีนี่คือโอกาสที่มามาอบาัตมาตระหนูและก็มาพอดิบพานในวันเพ็ญเกนออกที่ลวงไปไม่กี่วันเนี่ยวันวิสาขางวิสามขางข แล้วก็วันพระครางหน้าก็เป็นวันอัธมีเป็นวันเผาพระบรมสารีพระบรมสารีรักสังขารของพระองค์วันเป็นวันวันแปดค่ําข้างหน้าพระุ่นเจ้าท่านบุตรพทธบริษยุกนั่งสมัยนั้นตั้งเก็บไว้แค่เจวันเจวันแล้วก็เผา เอาแล้วก็ได้พระธาตแบ่งไปในที่เกียแห่งหรือแปลแห่งพระธาตของพระพุทธเจา้านี่เราพูดถึงอะไรเราพูดถึงหลักธรรมธรรมะธรรมะคือสภาพที่ส่งไปพระ ญ, ญาโคบัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมจริงอยู่ปัญจวัคคีนั้นนะ่ะพระยาโคบัญยะหลังจากเห็นพระพุทธเจา้าคลายความเพียรจากการถืออัคคีรธรรมโยกมาสวดพระปริยาร พระองค์ดำบีอยู่ในใจพูดถึงเรื่องอาตคีรมังขานุโยของพระองค์นั้นไม่มีใครทําได้ยิ่งกว่าเพราะฉะนั้นจึงได้ชื่อว่าทุกกระรกิริยาคํ า, าว่ากระทุกทุกทุกกะทุกกะทอทหารสะอุทุกแปลว่ายากกระแปลว่ากระทําได้ยากไม่ใช่แปลว่าทุกเหมือนอย่างที่เราจะแปละนะไม่ใช่นะทุกกับะระทุก แปล ว, ว่ายากทาได้ยากกระแล้วว่าทําทําได้ยากทุกกระกรริยากิริยาที่ทําได้ยากไม่มีใครทําได้ยากกว่านี้พระองค์ทำได้ถึงขนาดนี้แล้วก็ไม่เห็นไปหน้ามาหลังมีแค่นั้นเองแค่ได้ภูมิจิตภูมิเดิมคืออรูปสมาบัติแค่นั้นเองพราะองค์ไดเตรียมจบมาแล้วยังไม่ใช่ช่องทางที่พระองค์จะได้บรรลุไปทําทุกกระกิริยาเพราะไม่มีใครบอก ไม่มีใครบอกวิธีใดที่จะไปได้วิธีสร้างทุกระกิริยานี้ตามที่เราได้ยินในหลักของพุทธประวัติพระองค์ทรงกัดฟันด้วยฟันกะกดปฐนด้วยปฐนกดพระตตาลุกด้วยพระศิวหาเอาลิ้นกดเพ ด, ดานบางคนเขาบอกว่าเอาลิ้นไปกดจักรเร่จักรเร่กับเพดานทำไมมันห่างกันแท้กดลิ้นกับเพดานมันน่า จ, จะถูกกวา่า แล้วกลั้นลมหายใจไม่ให้ลมหายหไม่ให้ลมออกทางปากไม่ให้ลมออกทางจมูกรอนมันไม่มีที่ออกเพราะร่างกายมันต้องการลมนะ่มันก็ออกทางหู อ, อูเสียดไปในพระอุทธรพระอุทธรนะ น, นะร้อนพระวรกายนี่คือทำอัตเกลามถามโยกประกอบตนเหน็บเหนื่อยเปล่ามันเป็นเรื่องแปลกนะ ถ้าเราจะมจัยวิจารมันเป็นเรื่องแปลกพระองค์ต้องการธรรมะเกิดขึ้นที่หัวใจแต่มทรมานกายเพื่อให้ธรรมะเกิดที่ใจซึ่งมันมันเป็นเรื่องที่ไม่ไม่ไม่เป็นเหตุเป็นผลเกี่ยวกันหรือกันเราพูดถึงการทรมานกายของฤาษีชีพายในสมัยนั้นประกอบอัธธตจตมลและมหานยโย ทรมานกายอดพระภยานเนี่ยอย่างอดอาหารเนี่ยอย่างพวกเราอดอาหารทุกวันนี้พวกเราอด อ, อดอาหารภาวนากันนะอดอาหารแล้วก็ภาวนากันเพราะการอดอาหารภาวนานนร่างกายมันเบาสบายปลอดปโปรงแต่การอดอาหารในสมัยนั้นหวังจะได้มักได้ผลจากการอดซึ่งมันเป็นไม่ได้เป็นไปไม่ได้ทรมานกาย ยืนบนน้านอนบนน้ําปิ้งไฟย่างไฟอะไรแล้วแต่ทรมารร่างกายให้ร่างกายให้ร่างกายบอบช้ําทรมารที่สุดเอาจนเหลือเด่นตายจะได้อั็ได้ทำค่าคาเดเาวไว้จะได้ก็ได้ทำแต่เวลาต้องการผลคือธรรมะต้องการที่ใจต้องการผลธรรมะต้องการที่ใจแต่ทรมารนำมาทรมานกาย พระองค์เลือบุญญาบารมีพระองค์ญญระลึกได้เองเ๊มมมม ะ, มะมันมันน่ามันน่าจะทอดมันน่าจะมาทอดทำความเพียรทางใจพระองค์เลยแต่ร่างกายเราเราไม่ไหวแล้วร่างกายเราชีวิตตินสีของพระองค์จะดับจะขาดอยู่แล้วต้องหันมาเสว ย, ยาวยพระกายฐานซะก่อนมาฉันน้ำนมบ้างฉันอะไรบ้างพอได้มีเรื่อยังมีแรงแล้วก็ตั้งใจความเพียรเพราะฉะนั้นในวันนั้นจึงมีในวันนั้นในวัน วันวันก่อนที่โปรจะทําความเพียรในคืนนั้นน่ะเป็นแสดงไว้ว่าโปรได้รับข้าวยาข้าวมัทุปลายาจากนางสุชาดาที่โวลต้นโพนอะละนางสุชาดาก็เป็นกดุมพีเป็นผู้มีการจะกินอยู่แถวนั้นเอาข้าวมัทุกปลายาไว่าจะไปบวงสรวงเทวบดาเพราะนางนี่นเคยบนเอาไว้นะ ถ้าได้สามีขอให้ได้สามีที่มีทรัพย์เท่ากับนางแล้วถ้าได้ลูกผู้ชายถ้าได้ลูกคนแรกขอให้เป็นลูกผู้ชายนางสมความปรารถนามาแล้วสมความปรารถนามาแล้วแต่ว่าจะเกิดตอนนั้นถ้าเกิดมาตั้งแต่กี่ปีมาแล้วลูกแต่ก็อาจจะยังไม่ได้พลีกรรมกับเทวดาก็ได้วันนั้นก็เลยไปบวงสรวงเทวดาให้คนใช้ไปดูว่พระพุทธเจ้าท่านพูดถึงพระพุทธเจ้าก่อนที่พระองค์จะได้ตรัสรู้ รัศมีของพระองค์เปล่งปลัง่งวันตรัสรู้หนึ่งวันปริมิพานหนัศนีของพระองค์จะเปล่งปลัง่งด้วยรัศมีภายในพระวรกายคนใช้ไปเห็นแล้อู้แม่เจ้าเทพเจ้าเทวดามาคอยอยู่แล้วนานนี่ก็เลยผลิตย่อที่เป่าข้าวมาัทุพย์ญาติถวายบรรดาให้บาปพระองค์หายน้ำเสียร้าเลยสวายถวายทั้งข้าวทั้งถาดทองคํามันก็เป็นธรรมเนียมเป็นประเพณีของพุทธะอี่แหละ ท, ที่จะที่จะได้ไปลอยถาเราาถือถาเข้าวมัทุกไปยญาไปสวยที่ฝั่งแม่น้ําเนรัญชราสวยเสร็จก็อธิษฐานลอยถาตั้งสัจจารถาิฐานยังดูบุญบา ร, รมีความรกรถึงและยังถ้าเราจะได้บรรลุพระสัมมาสัมโพุทธิญาขอให้ถาไอนี่ลอยชวนกระแสแม่น้ําเนรัญชราไหลสมัยนั้นน่าจะไหลแรงหลายเชี่ยว แถวนี้มีตะไคายเต็มมีลองน้ำนิดหน่อยเวลาหน้าฝนบางช่วงก็ขาดหน้านี้ขาดมี่มีเ็มมีต่ไคายเต็ ม, ม, า ย, ตมยาวเกือบกว้างเกือกกิโลเหมือนกันนะแม่น้ำามรุา ร, ารัญชราใครไม่เคยไปไปดูแม่น้ำเมรุรัญชาราไปดูที่ที่รอยถ่านไปดูที่ที่พุทธยาใบบรรุษธรรมพุทธยาไปดู <c oughs> องไปเสวยที่ฝั่งแม่น้ําหนือนจราแล้วก็ลอย่าหลังจากลอย่าเสร็จแล้วถาเขาก็ลอยโคนกระแสน้ําำถ้าเป็นพวกเราก็ตดโหนโดเต้นไม่ได้หละดีออกดีใจสําเร็จแน่แน่สำเร็จแน่แนพระองค์รู้บรารมีของพระงเต็มเตี่ยมอยู่ในประเทศไทยอยู่แล้วอืสเสร็จแล้วก็ตั้งแต่วันเช้าวันนั้นพระองค์ก็เสวยาาพระกายานเสร็จเสว ย, สวยข้าวมันจุปยาเสร็จแล้วก็ สำราญอิศยาบด่อยู่อยอยอยรอบๆนั้นแหละเวลาใกล้คำถึงมาที่ต้นโกเดินมาระหว่างทางได้รับยากยากขาดแปดมจากนายโสทยะแล้วก็มาปูต่างบรรลงัางาที่บางตำนานก็บอกว่าบรรลังนั้นน่ะวัชระบรรลงังเพรามไปอธิษฐานให้เกิดเมือ่อผมไปอธิษฐานให้เกิดวัชระบรรลงังจึงเกิดขึ้น บางบา ง, บา ง, บางตำนานก็ว่าโระเอายาคลานไปปูนั่งพอหลังจากนั่งเสร็จแล้วก็ตั้งสัจจาทิฏฐานที่เรียกว่าจาตุรงคมหาประธานกามตะโจนหารุจัติจักอวสิสติอวสัสสโตมังสัรีระทีวิตัง อาวสัอาวสัตสตุภณีสริเรอวสัสตุมณสริเรมัสโลหิตันติยันตังมหพุทธสัาเมนะมหพธสัวิริยนะปฏตบันะตังอปตววิริยส สันท่านังภวิสันตีเนื้อเลือดในระกายในพระวรตกายขอพระองค์ทั้งหมดจงเหือดแห้งไปเหลือแต่นังหุ้มกระโูลกก็ตามทีตราบใดยังไม่ได้บรรลุธรรมด้วยเรี่ยวแรงของมหาบุรุษด้วยความอุตส์บักบันของความภาคความเพียจะไม่ลุกขึ้นเด็ดค่ะนี่เรียกว่าจาตุรองพระมหาปทาน จตุรงค์ามหาพุทธ า, าการตั้งสัจจญาติฐานประกอบได้ด้วยไปด้วยองค์สีเนื้อเลือดอะไรเนื้อเลือดเอ็นกระดูเนื้อเลือดเอ็นกระดูออกดจตุรงค์ามหาพุทาถ้าเป็นถ้าเป็นถ้าเป็นอย่างเราเราก็ลองอย่างดูเสียงปรามีดูถ้าเราถึงแล้ว ก็คอยได้มนุษย์ถ้าหาไม่มนุษย์คอยตายคอยตายเอาสีมนั้นเป็นเดิมพันเลือดแต่น้ำหุ่นกระดูก็ตายดีไม่ดีถึงตายก็อาจจะยังไม่เด็ดลูกเห็นไหมพอตั้งพระไทยเด็ดขาดแน่นหนามั่นคงขระห น, นี้จิตใจมันก็ไม่ไปไหนเมื่อเราตั้งอกตั้งใจเพราะเราทำความภาคความเพียรทุกวันนี้เราก็เอาอันนี้มันถือเป็นเป็นสัจจ์เป็นประจักษ์เป็นพยา สัจจารมีไอ้สัจจอาทิฐานสัจจ์บวกอาทิฐานอธทิฐานคือความมุ่งมั่นที่จะเอาจะเอาสิ่งนู้นจะเอาสิ่งนี้สัจจ์ก็คือตั้งสัจตั้งสัจด้วยตั้งด้วยคำสัตจครับคำสัจคำว่าสัจในที่นี้ตามที่เราสรงตั้งมันเนื้อเลื่อนเหืออแห้งไปเดือยวจะนั่งห่มกระดูกตามทีนี่คือสัจจ์อ่าถ้ายังไม่ในบรรลุธรรมนั่นอันนั้นคืออาทิฐาน เลยบวกกันเป็นสัจจะที่ฐานสัจจะที่ฐานพร ะ, ระองค์ตั้งตั้งอย่างนั้นปั๊บจิตมันก็มีการประวัติถึงข้างหลังอยู่บ้านเพราะพระองค์จากบ้านไปจากเมืองเวียงวังไปจากราหุพิมพ์พาไปจากพระเจ้าสุดโทชนะจากรพระยาตพระวงศ์จากอะไรจะได้สารพัดไหนจะนึกถึงบ้านถึงช่องถึงเรือนถึงอะไรอะไรอดที่จะคิดถึงไม่ได้ ถ้าเราจะถ้าเราจะคิดแบบบุคคลาธิฐานเป็นางา น, นปุคคลาทิฐานอ่ะถ้าเราจะคิดแบบธรรมมาธิฐานถ้าเราจะคิดแบบปุคคลาทิฐานก็คื อ, อ, อบรรดามาณทั้งหลายมาต่อกรกับพระองค์มนะีนางปัญหานางราคานางงาตร ด, ดีอะไรแต่ไรมาต่อกรกับพระองค์องเอาชนะตั้งแต่หัวข่ําตั้งแต่หัวค่าเลยไปถึงสี่ทุ่มทำให้พระองค์ได้ได้ญาณญาณทัศนะนะไม่ใช่ฌาน ได้ยานชาญพระองค์ทรงเต็มเปี่ยมมาแล้วตั้งแต่ไปฝึกที่อุดมอุทกอดาบทพลานาดาบทพระองค์ได้ยานยานคือความรู้พิเศษเกิดขึ้นพิเศษจากการที่การตั้งอกตั้งใจทําถ้าเราจะเทียบยานก็เหมือนกับเหมือนกับอะไรเหมือนอย่างเราถูไม้เกิดไฟเนี่ยเอาไม้ไม้แห้งกับไม้ให้ถูกกันถูกถูกถูกุกความเสียบสีทําให้เกิด ไฟเกินเป็นไฟฟึบขึ้นมาเป็นเปลวไฟเปลวไฟนั้นทรายกระเทียบนั่นแหะคือคือยานญานณทัศน์ปัญญาที่เราพยายามเสียดสีนะมือกับมือกับไม้ไม้แห้งไม้แห้งกับไม้แห้งไปเสียดสีกันไอปัญญาที่เราใช้พิจารณาค้นคว้าค้นไปค้นมาขุดไปขูดมาคุยไปคุยมาอันนี้คือปัญญาพื้นฐานธรรมดา ว่าทำจนถึงที่เหมือนกับเราถูไฟจนเต็มที่จนถึงที่ฟุบขึ้นมาเป็นเปลวไฟเกิดญาณเกิดความรู้ขึ้นมาญาณทัศนะ์ไหนชนีดเป็นการมารบอกมาประกาศว่าจิตสามารถเข้าถึงสิ่งเฉละเอียดคือสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนี้อภูเพนิวาสานุสติญาณอันนี้อันนี้ก็ยังไม่ใช่การบรรลุยังไม่ได้ยังไม่ใช่อ่า โลคุตรธรรมยังเป็นโลกิยธรรมอยู่เห็นภพชาติของพระองค์เกิดตายเกิดตายเกิดตายเกิดตายย้อนระลึกไปกี่กับเห็นหมดกี่สังวัตกับกี่วิวัตกับเราลึกหมดแล้วย้อนหลังไปเห็นเกิดตายเกิดตาเกิดตายไม่จบเนี่ยในยามทำกลางก็เห็นสัตว์ทั้งหลายเกิดตายเกิดตายที่เรียกว่าจุตุปปาตยาสัตว์ทั้งหลายเกิดตายเกิดตายเกิดตายเราเห็น ภพชาติของพระองค์เกิดตายเกิดตายเห็นภกชาติของสัตว์ลาเกิดตายเกิดตายอะไรเป็นเหตุให้เกิดให้ตายกันเนี่ยมันท้าทายภายในภพไทยของพระองค์โดยเหตุที่พระองค์ทุ่มทถ้าจะเถียงมานก็ทู้ไฟเกิดความร้อนจะเกิดสัญลักษณ์ไฟบ่อไแล้วนะั่นน่ว่าเห็นควันลักษณะของไฟเห็นฐานนดำดำําเห็นฐานแดงแดงลักษณะของไฟงั้นแหละเกิดปุเพนวะนัสสามสติญาเกิดจุตูปปาติญา แต่ยานยานเหล่านี้เป็นยานของโลเป็นยานโลกียังไม่ใช่ญานโลกุตระยังไม่ใช่ยานโลกุตระนู้นยามสุดท้ายของราตรีพระองค์ถึงได้บรรลุอาสวะขยัยานภายในพระไถยของพระองค์ที่ว่ามีห่วงวิตกกังวลอะไรต่ออะไรตกข้างอยู่ในพระไถยของพระองค์ซึ่งเป็นลักษณะบอกถึงความทุกข์ที่อยู่ในพระไถยของพระองค์ ได้บรรลุอาสวะข ย, ยัญยานสิ่งเหล่านั้นเหือดแห้งหายไปหมดขย ะ, ขยะกขยะถึงสิ้นไปอาสวะขยักน้ำน้ำดอกคืออาสวะไปไหนพระไตรปิฎกมันเหือดแห้งไปจากพัคขันส์นสันดานของรโราโดยเรี่ยวแรงความอุสาพยายามความภาคความเพียรของโราพระองค์ะจะได้หลักที่ไหนไปพิจารณาหลักปฏิจะสมุบาทก็ยังไม่มีใครตั้งให้พระองค์พิจารณาหลักอริยสติกยังไม่มีใครตั้งให้พระองค์พิจารณา พระองคไม่มีจำราชนัยไปดูแต่พระองค์ได้หนักของจิตโดยเหตุที่ได้ของดีของดีของวิเศษเนี่ยจึงเป็นแก้วสารพัดนึกเอาไปหมุนเอาไปเกีรันไหนเกี่ยรันไหนไปเจี่ยรันไหนไปจนได้ของดีของดีของวิเศษของเลิศขึ้นมาทําให้อาสวักิเลสทั้งหลายภายในพระไทยของพระองค์เหงื่อแห้งไปจากประการทศสันดาษอันนี้คือพระจิตของพระศาสดาเราฟังแต่ว่า สัพพัญยุติญาณสัพยุติญาณสัพพัญยุติญาณปัจจุบันกับโรคสัพยุติญาณของพระอง์อตีตังสยามกับโรปัจจุบันนังสยามกับโรอนาคตังสยามกัโรคยานพิเศษทั้งหลายทั้งปวงมากมายมหาสาที่เกิดขึ้นมากับพระไถของพระองค์พระองค์ยังไปตีตังอัานตัวเลยเพราะฉนะพระองค์จึงปฏิญาณกับปัญจวัคคีตอนปัญจวัคคีเขาแสดงกิริยาไม่เชื่อ บรรจวีร์เขาไม่เชื่อนะว่าพระอหันคลายคาวามเบียนแล้วเบียนมาเป็นผู้มากๆากแล้วองค์จะบรรลุธรรมได้อย่างไงจึงมีกิริยาก็ดานกระเดือนกับพระองค์พระองค์ก็เลยให้หัวเรารึกถึงว่าคําแบบนี้พวกเธอเคยได้ยินที่ไหนพระองค์เราได้บรรลุธรรมแล้วเธอทั้งหลายจงตั้งใจฟังเราจะแสดงธรรมให้ฟังปัญจวัคคียก็ยังคลางแคลงใจยอยู่พระองค์เลยมาทบทวนคนํานี้เออใช่ไม่เคยได้ยินได้ฟัง รู้สึกว่าคนสมัยนั้นเนี่ยฟังกันง่ายๆนะบอกแค่นี้เขาไปฟังง่ายๆแล้วก็ตั้งใจฟังคือบุญบา ร, รมีมันไม่ถึงม่นคนเราคนเราแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยบุญบา ร, รมีอินทรีย์แก่กล้าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นท่านยึงเทียบกับดอกบัวบัวสีเหล่าบัวติดขี้โคลนที่ตมบัวกลางกลางน้ําบัวปริ่มเสมอน้ําบัวโผล่พ้นน้ําปัญจวคัคคีก็ลักษณะเดียวกันอนะไร ปัญจวัคคีพระยากณทัญญะด้วยบา ร, รมีที่สร้างอะไรขึ้นมาก็อยากได้กวนหมูอยากได้กวนหมูในสุดพระยากณทัญญาก็ได้ดวงตาเห็นธรรมพระอัญญากณัญญาเป็นหัวหน้าหมูด้วยซ้าไปและเป็นคนรุ่นโอ้น่าจะแกะม่มากมายมหาศาลนะเป็นผู้เป็นทายลักษณะของของพระองค์ด้วยซ้ําไปและก็ตอนนั้นนะพระองค์อายุตั้งเท่าไหรนะ่ครับตอนที่ออกบวช29พระพันศารออกบวช แล้วก็บำเพ็ญอยู่ตั้งหกปีเป็นยี่สิบเก้าเป็นสามสิบสามสิบห้าปีนั่นอายุต้ง้งสามสิบห้าปีและพระอัญญาโกสัญญาอายุเท่าไหร่แก่เท่าไหร่เรามาคิดดูสิถ้าอัญญาโกสัญญาเชี่ยวชาญขนาดไหนทราบว่าพระอัญญาโกสัญญาก็ได้รูปปะสมาบัติอารม ป, ปรสมาบัติด้วยภูมิจิตภูมิธรรมละเอียดลึกจรงมากตรองตาม พระองค์พระองค์ได้ตอบโต้โตพระกับพระปัญจวัคคีว่าสิ่งหนึ่งที่พระองค์ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่กก่อนปุกเบออ น, นุโสุเดสุธรรมเมสุมเหมือนอย่างในธรรมจักที่เราสวนเมื่อกี้เนี่ยสิ่งที่พระองค์ไม่เคยได้ยินมาแต่การก่อนคืออริยสัจทั้งสี่นี่แหละอริยสัจทั้งสีซึ่งพระองค์เอาอันนี้แหละมาหมูให้กับพระปัญจวัคคีฟัง เรามาฟังแล้วเรามาตรองดูเนื้อหาของธรรมจักรกับปปัตตานสูตรอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันเพื่อเป็นเคล็ดเป็นอูบายทำให้เราเอามาทำเป็นแง่แง่ในการประพฤติในการปฏิบัติเพราะว่าทมที่พระองค์ไม่เคยได้ยินมาฟังมาแต่การก่อนคืออริยสัจทั้งสีนี้เองอริยสัจทั้งสีนี้มี รอบสามมีรอบสามอาการสิบสองรอบสามก็คือทุกรอบสามมีสามรอบสมุทยัยสามรอบนิโรธสามรอบแล้วก็มรรคสามรอบทั้งสามรอบนี้พระองค์เกิดญาณรู้ในภายในเกิดญาณรู้ในภายในด้วยเหตที่พระองค์หมุนถึงเกิดความรู้ในภายในเข้า ไปสู่หลักอริยสัจทั้งสี่นี่แหละเห็นว่าอันนี้คือทุกยานข้างในบอกว่าทุกนี้รู้แล้วนี่ น, นี่คือทุกยานบอกว่าทุกคนกำหนรู้ยานบอกอีกว่าทุกคนรกำหนดรู้กําหนดรู้แล้วทุกคนกําหนดรู้เลยเป็นแนวปฏิบัติให้ครับพวกเราได้เป็นอย่างดีเรากําหนดดูทุกเรากำหนดยังไงเรากําหนดกายของเรา เพราะงั้เรามาพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังลุงปุจิยะท่านพาดจับแหลมมือจับแหลมนิ้วจับแหลมอะไรต่ออะไรพาตรงนูน้นตรงนี้เนี่ยนี่คือกายเพราะร่างกายของเราคือกองทุกนะจิตใจของเราคือกองทุกร่างกายของเราคือกองทุกกองทุกนี่คือควรกำหนดรู้ด้วยเหตุที่เราไม่กำลังรู้เนี่ยเราหลงหลงกองทุก เราหลงกองทุกข์เราจึงหลงกายเหล่านี้เราจึงติดกายเหล่านี้ว่ากายเราว่ากายของของเราพระพุทธเจ้าท่านก็ทร ง, งบอกแก็ทรงชี้แนะวิธีการทุกอย่างเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเป็นอาการแต่ละอย่างแต่ละอย่างบางทีถ้าให้เราพิจารณาในแง่ของธาตุธาตุธาตุทั้งหกหรือธาตุสี่หรือธาตุหกในหลักในอาการสามสิบสองซึ่งเป็นบทกรรมฐานที่เรามาทำํำ ธาตุาดิดนยี่สิบธาตุน้ำสิบสองเป็นผมเป็นผลเป็นเล็บเป็นฟันอะไรที่มีลักษณะแข็งๆกันว่ า, าเป็นธาตุดินอะไรมีลักษณะเ อ, อืบอาบกันเรียกว่าธาตุน้ำดูมาที่กายเราเราดูเห็นเป็นของขีดว่าธาตุน้ำข้างนอกมีธาตุน้ำในกายเรามีธาตุดินข้างนอกมีธาตุดินในกายเรามีมี่ธาตุดินกับธาตุน้นำยังมีธาตุลมอีกมีลมหายใจเข้าลมหายใจออกมีธาตุไฟอีก ยังการนี้ให้อบอุ่เผาผลาญอาหารอะไรทจะไรเนี่มันคล้ายๆกับว่ามันเป็นของที่จะพึงบูดพึงเน่าถ้าไม่มีไฟมาอุ่นไว้มันก็จะบูดก็จะเน่าลมเข้าไปไม่ใช่เข้าไปเฉยๆมันก็มีเป็นหน้าที่ของร่างกายดินน้ำลมไฟมาเกาะ ก, กลุ่มกันเป็นเราแต่หากมันมาเกาะกลุมกันด้วยอาํานาจของกรรมที่จิตไปจับจ่อในท้องแม่ ธาตุดินน้ำลมไฟของพ่อกับเทียนธาตุดินธาตุน้ำลมไฟของแม่ไปเกิดในท้องแม่ไปประกอบกันในท้องแม่เราย้อนไปดูเราอยู่ในท้องแม่ตอนนี้เดี๋ยวนี้เป็นน้ำสใสๆที่พ่อแม่ประกอบการเจริญพันธุ์แล้วก็เราไปเกิดเป็นก้อนสังขารก้อนแรกอยู่ในนั้นน่ะตัวเราเดี๋ยวนี้คือก้อนสังขารก้อนนั้นแหละหามันเปลี่ยนมาเรื่อยเปลี่ยนมาเรื่อยเปลี่ยนมาตามเหตุตามปัจจัยเพราะเหตุ <header> ปัจจ <gri> ัย <Ps> ที่มีอยู่ในนั้นไม่เคยเหตุมีเหตุปัจจัย แม้เม็ดหินเม็ดทายอยู่เท่าเดิมของที่อย่างนั้นไม่เคยอยู่ทํางานอยู่ยุย่ง ย, ยักอยู่ตลอดไม่เคยมีส่วนไหนอยู่ของที่แต่เรามองไม่เห็นทนายเรามองไม่เห็นเราเรู้ว่าร่างกายของเราเนี่ยเป็นเป็นเป็นทุกขขั ง, ขงร่างกายของเรา เ, เป็นทุกขั ง, ขงเป็นก้อนทุกเป็นทุกข์ั ง, งเราดูไปก้อนทุกข์ั ง, งก้อนนี้มันเกิดในท้องแม่ของเรามันเกิดด้วยอาตมาของ้ราไป เกิดด้วยอำนาจของสมุทยัยนี่เราดูทุกถ้าเราพิจารณาแบบล้มตาล้มตาท้องบอกว่าให้กำหนดทุกข์ก็ย้อนมาดูสมุทยัยให้กําหนดทุกข์ก็ย้อนมาดูสมุทยัยสมุทัยก็คือกองทุกกองทุกที่เกิดที่ใหญ่คือตัง้งหาธรรมทั้งหมดนี้เราตรองมาดูของจริงอยู่ที่กายของเราได้ทั้งนั้นเลยแม้แต่ตั้หาที่เราพูดถึงอยู่แถวนี้ แล้วก็ดูมาที่ใจใเราเราสามารถมองเห็นได้กองทุกข์เราก็มองเห็นได้กองทุกข์ก้อนทุกข์และย้อนมาดูสมุทัยสมุทยคือเหตุให้เกิดทุกข์คือตัณหาเราได้ก้อนทุกข์อยู่ในท้องแม่เกิดมาจากตัณหาจริงใหมใจของพ่อของแม่มีความอยากประกอบการเจริญพันธ์เป็นเหตุให้เราไปเกิดในขันภ์ของแม่ เราแสวงพบแสวงชาติเรามีแตดวิญญาเราไปาจับจองหารูปธรรมด้วยกรรมว่าเราพอดีพอเหมาะในขณะนั้นตอนนั้นเราก็เข้าไปจับไปจองเป็นเหตุให้ดินน้ำลมไฟนั้นถูกจับจองด้วยอำนาจของกรรมที่ไปกับจิตของเราทำให้ก้นน้ำก้อนนั้นวัฒนาทาวอ่อนเปลี่ยนตัวเอไปเรื่อยนั่นคือก้อนสังขารก้อนแรกชิ้นแรก อย่าลืมว่าพระพุทธเจ้าท่านทรงประกาศพระศาสนาเนี่ยท่านตั้งกองสังขารตั้งกองสังขารมาให้เราดูให้เห็นลักษณะของสังขารเหล่านี้อันนี้จากทุกหนาตาก็คือภาวะของสังขารคาว่าสังขารคือสิ่งตั้งแต่สองสิ่งเป็นต้นไปประกอบกันท้านเรียกว่าสังขารอยู่รอบข้างตัวเรา เดี๋ยวนี้ขณะนี้ไม่มีสิ่งใดแม้หนึ่งเดียวที่เราจะเมื่อเรียกว่าไม่ใช่สังขารสังขารทั้งนั้นนับแต่อัตภาพร่างกายของเราเราดูพรอมที่เรานั่งอยู่เนี่ยดูต้นเสาดูพื้นสลาดูข้างๆรอบข้า ง, างเจ ด, ดีของเรากองสังขารทั้งนั้นทำไมาเรียกว่ากองสังขารเพราะมันมีส่วนประกอบตั้งแต่สองสิ่งเป็นต้นไปถ้าเรียกว่ากองสังขารขึ้นชื่อว่ากองสังขารแล้วจะไม่เคยอยู่เท่าเดิม ฟังให้ดีนะอันนี้คือลักษณะการเกิดขึ้นของอนนี้อางทุกข์างอนัตตาสังขารไม่เคยอยู่เท่าเดิมสังขารใดๆก็ตามไม่เคยอยู่เท่าเดิมมีสังขารอะไรบ้างที่อยู่เท่าเดิมเป็นดินอยู่เท่าเดิมไหมภูเขาไม่เห็นไปไหนอยู่เท่าเดิมภูเขาอยู่เท่าเดิมไหมไม่มีฉะล่างมาเรื่อยฉะมาเรื่อยฉาบมาเอยฉาบมาเรื่อยอะไรอยู่เท่าเดิมต้นไม้ต้นไม้ไม่เคยอยู่เท่าเดิมโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นต้นไม้ที่ตายครับผุลงผุลงผุลง เหล็กหรือเหล็กก็ไม่อยู่ท่าเดิมดูดิเดี๋ยวสนิมกินสนิมกินสนิมกินไปกินมาก็หมดอะไรสเตนเลสแล้วที่เหล็กไม่กิสนิมไม่กินสเตนเลสอายุล้านล้านล้าน ล, านลานปีไปใน้างหน้ามันก็จะต้องเปลี่ยนรูปเปลี่ยนร่างขอกมาเพปนิมจินดาอะไรอะไรที่ว่าแข็งที่สุดกี่เป็นกลับไปขานาดมันจะต้องเปลี่ยนรูปไปเป็นอย่างอื่นเพราะขึ้นชื่อว่าสิ่งเป็นก้อนเป็นแท่งเป็นกองสังขารแล้ว ไม่เคยมีสิ่งใดอยู่เท่าเดิมแต่หากว่ามันมีอายุยาวมันมีอายุสั้นเท่านั้นเองนี่เราตั้งประเด็นว่ากองสังขารนะาศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าเอากองสังขารมาเป็นหนึ่งในการที่จะพิจารณาให้เห็นเหตุเหตุธรรมมันก็ทําไม่มีที่จับแค่เราย้อนจากนี้ไปไปถึงในท้องแม่กองสังขารก้องกอง้อนแร่ที่เราได้จากพ่อจำไหม่น้ําใสใส ย, ยังไม่มีอะไรเลย แต่ด้วยเหตุที่เป็นกองสังขารนั้นเขาจะขยับตัวไปเรื่อยไม่เคยอยู่เท่าเดิมไปเป็นน้ําใสๆไปเป็นน้ําข้นๆไปเป็นก้อนเลือดไปเป็นน้ํานั่งเลือดไปเป็นก้อนเลือดไปเป็นก้อนเนื้อเป็นปัญจาสาขามีหัวมีแขนมีลำตัวมีขาอยู่เจ็ดเดือนแปดเดือนเก้าเดือนในท้องแม่คลอดออกมาอยู่เท่าเดิมไหมไม่เคยอยู่เท่าเดิมทําไมถึงไม่อยู่เท่าเดิมเพราะในกองสังขารกองนั้นอ่ะเป็นโรงงาน รงหนึ่งของเราดีๆนี่เองไม่เคยมีส่วนไหนอยู่เท่าเดิมทํางานยึดยัดยยัดยึยัดอยู่ตลอดเราดูสายรบสายสะดือสายสะดือสายสะดือคืออะไรนั่นคือท่อท่อลําเลียงอาหารจากแม่เราอยู่ในท้องแม่เรากินเลือดกินเนื้อของแม่เอาเลือดเนื้อของแม่เป็นวัตถุดิบเอามาป้อนโรงงานเรานี้แล้วเราออกมาข้างนอก น, นี่คือโรงงานเดินได้ดีๆนี่เอง เราออกมาแนละ้วเราต้องยังจะต้องใส่ให้มันเพราะอะไร mm. เพราะสังขารล่านี้มันเสื่อมไปมันสิ้นไปถ้าไม่จริงเสื่อมไปสิ้นไปเพราะมันหมดมันย่อยมันขยี้ในตัวมันเองนี่คือกองสังขารเราพยายามดูให้ออกว่ากองสังขารไม่เคยอยู่เท่าเดิมพระพุทธเจ้าทร ง, งตรัสว่าทุกข์ขามมันเปลี่ยนไปเป็นอนิจจังจับตรงนี้ให้ได้นะจับตรงนี้ให้ได้ จะได้ไปเป็นตั้งประเด็นในการที่เราจะพิจารณาอัดทำภายในหัวใจของเราสังขารไม่เคยอยู่เท่าเดิมเปลี่ยนไปเป็นอนนี้จังไม่เคยอยู่เท่าเดิมเป็นทุกขังเปลี่ยนไปเป็นอนนี้จังคำว่าทุกขังทุกขังเนี่ยพวกเราอาจจะรู้แค่ว่าปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้เป็นหนาวเป็นโรคตับโรคไตโรคปอดโรคมะเร็งแท้ที่จริงคำว่าทุกขังคือมันไม่ทนอยู่ในสภาพเดิม ด้วยเหตุที่ไม่ทนอยู่ในสภาพเดิมน่ยมันจึงสืบเนื่องไปถึงว่าเป็นนุษยเป็นนี้เป็นไข่เป็นน้ำเป็นปอดเป็นตับเป็นเบาหวานเป็นอะไรตอะไรสารพัดนี่คือมันไม่อยู่เท่าสภาพเดิมในสภาพเดิมมันเปลี่ยนไปเป็นอนิจจังท่านยิ้ว่าอนิจจังยังไงทุกขังก็อย่างนั้นทุกขังยังไงอนิจจังก็อย่างนั้นเราลองพิจารณาดูมันน่าจะพิจารณาดูเป็นกรุยหมายไปทางได้อย่างดีสำหรับที่เราจะมาพิจารณาในบทกรรมฐานของเรา ดูดเลือดบุดเนื้อจากแม่โอ้กว่าจะแปดเดือนเก้าเดือนรูที่พ่อแม่สนุกสนอมขนาดไหนสถ้าเกิดมาก็เกิดมาจากท่าพ่อกับท่าแม่ประกอบกันในท้องแม่แม่เป็นคนอุ้มเจริญอยู่ในท้องแม่ดูดเลือดดุดเนื้อจากแม่ไปกินมาตลอดนี่แหละคือหนี้บุญ น, นี้คุณที่เราชดทดแทนหนี้บุญคุณของพ่อของแม่ไม่หมดเพราะของท่าน ไม่มีใครเอาเลือดแม่แม่ตะยดเดียไปเกิดในท้องแม่ไม่มีเป็นของท่านทั้งหมดแต่พอเวลาเราออกมาทิฏฐิมานะมันโผลขึ้นมามา่างไหนทิฏฐิมานะทิฏฐิมานะความถือเนื้อถือตัวถือว่าเราของเราของเรากายเราบางคนฆ่าพ่อได้ฆ่าแม่ได้หาว่าพ่อแม่ดูถูกนะหาว่าพ่อแม่ดูถูกดูแต่ฟังที่ว่าพูดให้ฟังตั้งแต่ตนตนแรกเนี่ยอเขาด่าลูกเขาไอ้ลูกหมาด่าลูกเขา ไอ้ลูกมาโอ้ยลูกมันเครียดด้จนไม่เข้าบ้านต่างรูปเป็นเดือนนะเครียดวันด่าม่ให้ลูกมาเราฟังดูนี่หนูดีเราดูที่พวกเราถือถือขนาดไหนถืออะไรถืออะไรอัตตาตัวตนมันโผล่ขึ้นมาเพราะมากับใจที่มีกิเลสที่เป็นกิเลสนั่นกิเลสคืออะไรก็คือตัณหานั่นตัณหาคือความอยากในใจความเศราหมองของใจเราเรียกว่กิเลส ตัณหากิเลสตัณหาอาสวะอันเดียวกันกามาสวะพวาสวะอวิชชาสวะอาสวะอันเดียวกันกิเลสอันเดียวกันตัณหาอันเดียวกันแต่ตัวที่เราจะพิจารณาให้เห็นได้ก็คือตัณหาเพราะตัวตัณหานี่เป็นตัวสมุทัยเป็นตัวหลักกาหนดทุกย้อนไปดูสมุทัยก็คือกําหนดไปดูตัณหาหน้าเองกำหนดทุกเราก็ย้อนไปดูสมุทัย เพราะฉะนั้นการตั้งใจภาวนาะจะพิจารณาให้เห็นให้เข้าใจรู้ว่าเป็นเราหรือไม่ใช่เราต้องมาดูกองทุกข์ถ้าไม่ดูกองทุกข์นี่ยยึดอยู่นําไปไม่มีจุดจบไม่มีที่จบร่างกายของเราเนี่ยยึดเหลือเกินยึดเหลือลเกินว่าตัวเราตัวเราของเราท่านให้กำลนดทุกข์ก็ย้อมาดูสมุทยัยสมุทัยคือตัณหามันเกิดที่ใจมันเกิดที่ใจแล้วมันก็หลองกายมันยึดกายตัณหามันมันเกิดให้พิจารณาที่ไหน ตัณหามันไม่มีเหตุไม่มีผลมันไม่ใช่ธรรมะเรื่องของธรรมะเนี่ยเป็นเรื่องของเหตุกับผลเรื่องของตัณหาไม่เคยมีเหตุมีผลการตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาคือความอยากความลื่นรนความเทยทยานของใจเราพยายามกำหนดดูความอยากในใจของเราได้ ย, ายดด่างย้อนดูใครพยายามย้อนไปจนทันเห็นความอยากในใจของเราเราจะเริ่มได้ห่านได้ทำ เริ่มแรกเรากำหนดให้เห็นความอยากกัแล้วกันอฮอยากข้าวแหม่กหนดเอาง่ายๆซะก่อนเอออยากน้ํารวมไปถึงอยากที่ละเอียดก็ไปอีกโอ้อยากได้ชิ้นนี้โอ้อยากได้ชิ้นนี้โอ้อยากราคาโอ้อยากปัญหาพยายามกําหนดให้ทันกิริยาของความอยากเราจะเริ่มเห็นอ่ า, อาเห็นทมเราจะเริ่มได้ผัดจดัยทำความอยากความอยากใดๆก็ตามที่เป็นไปนตามอานาจของกิเลส ของราคะของตันหาความอยากอนั้นเป็นสมุทยัยเมื่อเราเราลึกได้อย่างนี้แล้วเราพยายามปล่อยวางพยายามละพยายามวางแต่เบื้องแรกกําหนดความอยากซะก่อนเพราะความอยากมันกําหนดยากนะถ้าเราไม่เคยฝึกมันกําหนดยากบางทีมันยาไปเป็ น, เ ป, นเป็นกิโลแล้วเราถึงจะมาเราลึกตามได้โอ้คิดผิดแล้วลองผิดแล้วเราทดสอบได้ยังไง เร บ, บริกรรมพุโทโธพุโทโธพุโธพุโทโธพุโธขาดสติพอสติเริ่มจางครับสติเริ่มขาดพอสติเริ่มขาดครับตั้งหาสวงรอยตอนที่ตอนที่สติมันอยู่ควบคุมจิตนั้นน่ะมันตื่นมันสว่างมันโร่อยู่มันสว่า ง, ม, ง, ม, างมันไม่ใช่ความมืดโมหะมันครอบไม่ได้อวิชชามันครอบไม่ได้ตอนนั้นจิตของเราเป็นวิชชาเป็นความสว่าง ด้วยเหตุที่จิตของเรามีคุณสมบัติคือสติธรรมคือปัญญาธรรมสามารถเอามากำกับมาควบคุมมาพิจารณาภายในจิตของเราได้จึงเป็นเหตุให้เราศึกษาธรรมได้ปฏิบัติธรรมได้แล้วก็สามารถนะดับตัณหาได้ตัณหาของเราดับได้จริงจริงดับได้จริงแต่วิธีหัดนั้นเราพยายามย้ยอนไปดูความอยากในใจของเราพยายามย้ยอนไปดูความอยากอยากปักจับ ยาบ๊อบช็อกยาั๊อบช็อกยาบ๊อบจั บ, บ, จ บ, บ, จบสักห น, หนึ่งเดี๋ยวมัโรู้การที่เรียกวข้าง น, นี้เนี่ยอันนี้เข้าหลักอริยสัจ ส, สีเลยนะเข้าหลักข้างในเลยอย่างนี่ยไม่ต้องไปอ้อมค้อมเลยเล ย, เยกำลัทุกย้อนไปดูสมุทยัยกำลัทุกเหลือย้อนไปดูสมุ ท, ทัยรุกที่ญาติท่านก็มารู้แล้วทุกอ๋ออันนี้เป็นทุกทุกคนก็มารู้คนมารู้แล้วเนี่ยภายในพระไตยของเราสมุทยัย รู้ว่า น, นี่คือสมุทรไทยสมุทรไทยควรควรกำหนดละสมุทรไทยควรละที่ว่าสมุทรไทยควรละไห น, นลักได้แล้วยามันบอกทุกระยะทุกระยะอันนี้เป็นนิโรดนิโรดควรทําให้แจ้งทําให้แจ้งแล้วอันนี้เป็นมักมักควรเจริญจรเจริญเต็มที่แล้วรอบสามอาการสิบสองที่เราส่วน<ม>ในในธรรมจักรประดานสูต ตราบใดที่พระองค์ไม่เห็นแจ่มแจ้งดยชัดเจนจนเป็นเหตุให้เกิดยานเกิดจักสูเกิดยานเกิดปัญญาเกิดวิชาเกิดแสงสว่างภายในพระไยัยของกพระองค์ตราบใดที่พระองค์ไม่เห็นพระองค์จักไม่ปฏิเสธว่าพระองค์เนี่ยรู้แล้วเห็นแล้วอันะนุนสุเดสุธรรมเมาสุจะไม่ถือว่าพระไตยปิฎกพระองค์บริสุทธิ์โดยเหตุที่พระองค์รู้แจ่มแจ้งชัดเจนแล้วพระองค์จึงปฏิญาณว่าพระองค์บริสุทธิ์อันนี้ธรรมะในธรรมจักพัฒนาสูงนะ อัญญากณทั ญ, ญาได้ดวงตาเห็นธรรมดยส่งกระแสจิตไปตามลักษณะของของอณิญญัตย์ทั้งสี่นี้เองความเป็นไปในหลักของอณิญญัตย์ทั้งสีนี่ยิตของพระอัญญากณที่เข้าถึงกระแสธรรมคือเข้าไปเห็นอณิจักของอนัตตาซึ่งเป็นหลักธรรมชาตินี้เองหลักธรรมชาติที่อธิบายที่ว่าเราไปได้โบัติในกองสังขารในในท้องแม่เราไปจับตรงนี้เป็นต้นประเด็นแล้วเอามาพิจารณาในแง้ของการปฏิบัติ จะทําให้เรารู้สึกจะเป็นกุยหมากไปทางได้เป็นอย่างดีเพราะทุกคนเนะี่ยย้อนไปย้อนไปย้อนไปลึกคิดเอานั่นแหละคิดเอาย้อนไปโอ้เราเป็นเล็กเป็นเด็กเป็นเด็กโอ้ไปจนถึงในท้องแม่ไปจนถึงวันแรกนั่นแหะเพราะว่าเป็นก้อนเล็กๆเล็กกว่าน้ําที่ติดอยู่ที่ขนของจามรียที่ถูกสลักไปแล้วเก็บครั้งแล้วจนมองไม่เห็นน้ํำนั่น น้ำที่พ่อกแม่ประกอบกันยังอยูในท้องแม่นะในใจของพ่อของแม่ก็เป็นตันหามีตันหาในใจของเราก็มีตันหาเราไปแสวงพบแสวงชาติจึงไปอบายกันด้วยอํานาจของกรรมก็เลยเจริญเติบโตมาอยู่อย่างนั้นแหละเราพิจารณาซ้ำซากอย่างนี้แหละเราสำนึทุกข์เราย้อนไปดูสมุทัยเมื่อกี้เราพูดถึงสมุทัยเราพูดถึงความอยากวิธีระงับดับความอยากเราระงับยังไงเราดับยังไง เราภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธตราบใดที่พุทโธยังอยู่ยังอยู่กับจิตของเราคากับอยู่กับจิตของเรามิติคากับจดจ่ออยู่ตัณหาไม่เกิดนะแต่ตัณหาตัณหาโผล่ขึ้นมาชีไรเมื่อไหร่ตัณหาเอาจิตเราไปแล้วไปนึกรักนึกชังนึกโกรดนึกเกลียดนึกรูปนึกเสียงนึกกลิ่นนึกรส น, น, นึกสัมผัสตัณห า, หาเอาไปแล้วนี่คือตัณหาและอะไรที่ตัณหามันอยู่มันอยู่หมด สติสมาธิปัญญาสติสมาธิปัญญาเนี่ยตัณหาสามารถสงบระงับอยู่หมัดได้ในขณะที่เราเจริญสมาธินั้นแหะเราพยายามเจริญสติอย่างเต็มที่แท้ที่จริงสติของเราก็จะได้เ น, น้นหนามันของขึ้นเจริญขึ้นเจริญขึ้นยิ่งเราไปดูในหลักมหาสติปัฏฐานยิ่งเห็นได้ชัดที่พระองค์ท่านทร ง, สงสแสดงในหลักมหาสติปัฏฐานท่านพูดถึงเอาสติไปกำกับที่กาย ที่เวทนาที่จิตที่ธรรมไปกํำกับบทใดบทหนึ่งเท่านั้นแหละมันจะทํางานทั่วถึงกันหมดก็มองดูกายก็เอาจิตไปกําหนดก็มองดูเวทนาก็เอาจิตไปกําหนดก็มองดู้จิตก็คือเอาจิตย้อนไปดูจิตก็มองดูธรรมก็คือสิ่งที่ตอกค้างอยู่ภายในจิตเราจะพิจารณาจิตมันก็กระเทือนถึงกายถึงเวทนาถึงธรรม เราะพิจารณากายก็เถือนถึงเวทนากระเถือนถึงจิตกระเทือนถึงธรรมเราพิจารณาธรรมก็กระเทือนถึงจิตกระเถือนถึงกระเทือนถึงเวทนากระเทือนถึงกาเพราะผู้ทํางานคือผู้เดียวคือจิตจิตดวงเดียวจิตดวงเดียวแสดงโอกนี้ปรากฏกับเราเรามาคิดดูมาเทียบเทียบดูกับตัวเราเรานั่งอยู่เดี๋ยวนี้ถ้าหากเราไม่มีจิตสมมติเราเหมือนต้นเสาต้นหนึ่ง เราลองพยายามหันนึกให้เหมือนเราเราเหมือนต้นเสาต้นหนึ่งใครสามารถย่างได้คนนั้นจะได้ทำได้กัดได้ทำทันทีถ้าเราเหมือนก้อนหินก็หดนดเลือกให้ทาให้ทำตัวเหมือนก้อนหินเรากาหนดลองดูหนล อ, ล อ, ล อ, ล อ, ลอนกทำตัวเหมือนต้นเสาแต่ด้วยเหตุที่เรามีวิญญาณครองมีจิตครองเราจึงมีชีวิตที่มีวิญญาณครองจักินพันธุเทศอยู่เรื่อยๆ บางชีวิตไม่มีวิญญาณครองบางชีวิตมีวิญญาณครองพวกเราเป็นชีวิตที่มีวิญญาณครองพวกเราเป็นชีวิตเหมือนกันพ่อแม่เป็นคนปลูกชีวิตต้นนี้พ่อแม่ช่วยกันปลูกในท้องแม่แต่ชีวิตของเรามีวิญญาณครองวิญญาณก็คือจิตจิตก็คือวิญญาณแล้วแต่ท่านจะเรียกใจก็คือจิต จิตก็คือใจวิญญาณก็คือใจมนะคก็คือใจมโนก็คือใจใจอันเดียวเท่านั้นแหละท่านเรียกตามกิริยาอาการในอภิ ธ, ธรรมท่าเรียกว้ามากมายเยอะร้ยสิบเอ็ดดวงบ้างแปดสิบเก้าดวงบ้างท่านเรียกกิริยาอาการของใจแต่ตัวใจแท้ใจหนึ่งเดียวคือผู้รู้ผู้ที่มีผู้รู้หนึ่งเดียวที่ชัด ลาได้แล้วคือพระพุทธเจ้าพระสงสาวกพระอรหันตสาวกเป็นผู้มีจิตมีผู้รู้หนึ่งหนึ่งเดียวพวกเรามีจิตมีผู้รู้อยู่แต่ผู้รู้ของเราไม่ใช่หนึ่งเดียวแล้วเป็นสองอสิ่งตั้งแต่สองสิ่งเป็นต้นไปประกอบกันเป็นกองสังขารเพราะฉะนั้นจิตของพรเราจึงเป็นกองสังขารจิตของพระพุทธเจ้าหนึ่งเดียวเขาไม่ได้สังขาร น, นะ จิตของพระอาหารท่านไม่เรียกสังขารท่านเรียกวิสังขารภาษาบาลีท่านเรียกวิสังขารแปล ว, ว่าเป็นอื่นไปจากสังขารวิแปล ว, ว่าวิเศษแจ้งหรือตา่างเป็นอื่นไปจากกองสังขารถ้าหากยังเป็นกองสังขารอยู่จะต้องเปลี่ยนแปลงจะต้องมีอนิจจังจะต้องมีทุกขงังจะต้องมีอนัตตาอา น, นิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อกี้เราพูดถึงหลักอริยรสัจทัสีเราพูดถึงเราขยับไปในท้อง ไปอยู่ในท้องแม่เป็นก้อนเป็นก้อนสังขารไม่เคยอยู่เท่าเดิมเป็นทุกข์ันเปลี่ยนไปเป็นอนิจจังทั้งอนิจจังทั้งทุกขังนี่คือสภาวะของธรรมชาติธรรมชาตินี้มีอยู่นี้เป็นอยู่นี้ไม่มีใครสามารถดัดแปลงได้แต่ธรรมชาติดินน้ำลมไฟอยู่นอกตัวเราเขาดัดแปลงได้น้ำเนี่ปกติมันไหลลงที่ต่ำแต่เราดัดแปลงได้ดูดขึ้นที่สูงได้ดันขึ้นที่สูงได้ดันขึ้นในแม่น้ํา นู่นตึกกี่ชั้นกี่ชั้นเอาไปช้นได้หมดแต่ว่าอันนี้จั่งทุกขังอนัตตาเรดาดัดแปลงได้ไหมไม่มีใครดัดแปลงได้พระพุทธเจ้าท่ททานก็ดัดแปลงไม่ได้ถ้าท่านดัดแปลงได้ดัดแปลงให้หมดแล้วดัดแปลงให้เป็นอนัตตาให้หมดแต่ท่านมีวิธีท่านบอกกลุยหมายป้ายทางเพราะความฉลาดของใครของเราความโง่ของใครของเราไปแก้เอาเองท่านให้แก้ให้ท่านให้ไปแก้เอาเองท่านเป็ีป่ยนไปนเพียงบอกอุบายเอาไว้ด้วยเหตุที่เรา บังคับให้เป็นไปตามใจหวังไม่ได้นี่เองดัดแปลงไม่ได้นี่เองพราะเราชื่อทรงตรัสว่าอนัตตาอนัตตาคําว่าอนัตตาไม่ใช่แปลว่าไม่มีอะไรนะมีอยู่แต่เราบังคับไม่เป็นไปตามใจหวังเราไม่ได้เรามีลูกเรามีไหมเรามีผัวเรามีไหมเรามีเมียเรามีไหมเรามีผัวเรามีเมียเรามีลูกเรามีเราบังคับลูกบังคับผัวบังคับเมียของเราให้เปลี่นไปตามใจหวังของเราได้ไหม ไม่ให้เขาแก่มาให้เขาเจ็บมาให้เขาตายมาให้เขาประสบอุบัติเหตุลูกดีดโอ้ยกําลังหนาทะกําลังเรียนหนังสือเก่งกําลังเรียนหนังสือดีหารถหาดาห า, า, หามอเตอร์ไซค์นั่งไปเรียนอย่างดีไปไปมาโอ้ลูกวันเทิงใช่แล้วแหนผิดหวังแล้วเป็นไปตามใจหวงังอะไราไม่ทุกโดยเหตุที่ไม่เป็นไปตามใจหวงังนั่นเองความทุกข์จึงประสบอยู่กับเราอยู่หนึ่งเนื้อง เพราะเรามักจะเอาความรู้สึกนึกคิดของจิตของเราที่เป็นเรื่องของอำนาจของตัณหาไปกระเกงสิ่งใดเป็นไปตามใจหวังของเราเมื่อมันไม่เป็นไปตามใจหวังก็ทุกข์มีใครเป็นสุขบ้างที่กระเกงสิ่งใดเป็นไปตามใจหวังพอมันไม่สมหวังแล้วก็สุขมีไหมไม่เคยมีเลยเราแทบจะสรุปได้ว่าความทุกข์ทั้งหลายที่เราประสบอยู่ทุกวนันนี้เกิดขึ้นจากความผิดหวังทั้งนั้น กาให้ร่างกายอเราอยู่ดีมีสุขกําลังสุขสบายเรื่อยเพิ่อเฟลิดเคลินกับอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงอยู่ๆโอ๊ยมาเร็งเกาะแล้วตาแล้วใจบ่อนแล้วเนี่ยเบาหวานเกาะแล้วไขมันเกาะแล้วโกตับโรปอดเกาะแล้วมันไม่เกาะเราเกาะลูกเราเกาะหัวเราเกาะเมียเรามันเกาะพ่อของเรามันเกาะแม่ของเราดูที่ทุกมันเชื่อมโยงเท่าไหร่ สมมุติอย่างครอบครัวหนึ่งมีพ่อกับแม่มีลูกอีกคนหนึ่งเราต้องแบ่งกองทุกสามกองยูมาอยู่ม า, ม, ามีลูกอีกสองคนเราต้องแบ่งกองทุกห้ากองหัวก็แบ่งกองทุกห้ากองเมียก็แบ่งกองทุกห้ากองลูกก็แบ่งกองทุกห้ากอง น, นี่คือความผูกพันแบ่งกองทุกกองทุกทั้งนี้มันต้องการให้เราทุกอย่างลำบากเป็นโรคภัยไข้เจ็บไหมไม่มี มิตรอยาให้อยู่สุขสบายยากใหเรียนหนังสือเก่งๆอยากให้มีสุขภาพแข็งแรงดีไปไหนก็มีหน้ามีตามียศมีเกียรติมีศักดิ์ศรีตายแล้วขอให้ขึ้นสวรรค์ไม่มีใครปรารถนาเร็วๆมิตรปรารถนาดีดีช่งนะแต่สิ่งที่ปรารถนานี้ถ้าเราไม่ตั้งใจทำไม่เป็นเป็นตามนั้นมันก็ปรารถนาลอยๆการทั้งความปรารถนานั้นมันเป็นการตั้งเป้าเอาไว้ แต่มาย่อมหมายความว่ า, าเราตั้งเป้าเอาไว้แล้วเราจะต้องเดินไปเดินไปหาเป้าอานั้นเราจรึงจะประสบผลสำเร็จรูบายใจท่านให้พรโอมุมะมูลมาให้เงินไหลนองให้ทองไหลมาให้มาเต็มกระเป๋าอึ่งตึงอันนี้คือการที่เราตั้งเป้าเอาไว้การที่เราตั้งเป้าเอาไว้เป็นกำลังใจให้กับเรา เราอย่าไปมองเห็นเป็นเรื่องครั้งพิเศษศักดิ์สิทธิ์ไปอย่างอื่นโอ้ยเปิดกระเป๋ามาตรงๆเหมือนอย่างที่ท่านว่าอย่าไปว่าโดนมันต้มอีกแล้วโดนมันหน่ออีกแล้วเป็นตันตั้ ง, งเป้าตั้งประสองค์เอาไวา้เพื่อที่เราจะเดินแสวงหามาใสา่ให้เต็มกระเป๋า อ, อึ่งตึงเพราะทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีสิ่งใดแม้หนึ่งเดียวประสจาธิ์เหตุไม่มีสิ่งใดแม้หนึ่งเดียวประสิทธิ์ผล ไม่เคยมีผลใดๆประเสริจากเหตุไม่เคยมีเหตุใดๆประเสริจากผลในโลกธาตุใบนี้มีอยู่สิ่สองสี่แค่นี้เองมีเหตุกับผลมีเหตุกับผลเท่านั้นแม้แต่หลักอริยสัจสีที่เราพยายามอธิบายนี้ก็คือเหตุกับผลเหตุอันหนึ่งผลเกิดตามมาคือทุกเหตุอันหนึ่งผลตามมาคือดับทุกสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุก มากเป็นเหตุให้ดับทุกข์มีเหตุกับผลแค่นี้เองเราแทบพูดได้ว่าธรรมะแปดหมื่ีพันพรธรรมขันธ์ของพระพุทธเจ้ามีเหตุกับผลเท่านั้นที่ mm hmm. พวกเราชี้เหตุผิดกับผลชี้ผลผิดกับเหตุเพราะ mm hmm. อะไรเพราะความอาวิชาตันหามันปิดบังไว้จิตหัวใจของเราทุกคนหวังความสุขหวังความเจริญด้วยกันทั้งนั้นถ้าเราจะเทียบความสุขความเจริญเท่ากับ สีขาวเราต้องการจะป้ายให้เป็นสีขาวต้องการจะเขียนให้เป็นสีขาวแต่เราไปจุ่มาสีดํานะสีสิ่งเรื่องมันนะพอเราไปจุ่มสีดํำเราเราไปเขียนเราไปป้ายมันเป็นสีอะไรเป็นสีดํามันเป็นสีขาวไหมเราบรรลุกิริยาพฤติกรรมที่เราทํากับความต้องการของใจของเราเหมือนกันไหมไม่เหมือนต้องการความสุขความเจริญต้องการสีขาว แต่เวลาเราไปประกอบพฤติกรรมเราไม่เคยใช้ปัญญาเลยว่าจิตตัญหามันแทรกเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องอะไรเอาตามมันหมดแทรกเข้ามาเรื่องรักเรื่องชังเรื่องโกรธเรื่องเกลียดเรื่องรักเรื่องขโมยเรื่องยอักเรื่องย่อเอาตามมันหมดเคยมีปัญญาให้กับตัวเองมัไม่เคยมีปัญญาเพราะฉะนั้นการศึกษาทําการปฏิบัติธรรมมันเป็นการขยับตัวเข้าไปใกล้กับหลักสักจธรรมใกล้กับหลักของสัมมาทิฏฐิ ใกล้กับปัญญาที่เห็นชอบจึงเป็นเรื่องที่สําคัญยิ่งอย่างยิ่งในหัวใจในชีวิตจิตใจของเราอืนี่เราพูดอะไรเราพูดถึงว่าเราสามารถระงับดับตัณหาได้ยกตัวอย่างว่าเราภาวนาพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธเราเอาสติทำเอาปัญญาทำเอาสมาธิทำนี่แหละมาตั้งเป็นเครื่องระงับดับย้อนไปที่ธรรมจักร ดยเหตุที่พระพุทธเจ้าท่านเดินทางผิดมาแล้วท่านจึงมาทรงแสดงหนทางให้เราเปิดหนทางเส้นใหม่ให้กับเราท่านจึงทรงมาสแสดงกามาสุขานิการโยกอัตกิรามุฐานโยกมัชชิมาปฏิปทาการมา ส, สุขานิการโยกประกอบตนผัวพันในกามทํายังไงผัวพันในกามเราประพฤติตามอะไรตามใจชอบเกี่ยวกับเรื่องราคะตัณหาเกี่ยวกับเรื่องความโลภความโกรธ ความอิจฉาริษยาความพยาบาทแสวงหามิจฉาทิฏฐิมิจฉาขีปทั้งหลายทั้งปวงนี่จะเรียกว่าประกอบตนผัวพันุในกามเพราะสิ่งอันนี้เป็นเรื่องกาม เ, เ, เป็นเรื่องของกามกามมีคุณอยู่เราเห็นที่มีคุณนั่นแหะเราจึงเสาหาเราจึงแสวงหาแต่มัน ม, มีคุณนิดหน่อยมันมีโทษมากอย่างบนสวรรค์เทวทัตหกนะมันเป็นภพภูมิที่เขาแสวยกาม สวรรค์ทั้งหกชั้นเป็นภพภูมิที่สวยกามนะอันนั้นก็ทิปอันนี้ก็ทิปแต่เขามีความสุขมากกว่าบนใบโลกใบนี้ของเราเป็นโลกที่สวยกคามพร่างพร้อมไปด้วยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่เป็นทิปทั้งนั้นอใครยังไม่กิมไม่พอเกี่ยวกับเรื่องการพยายามให้ถอนมากๆพยายามรักษาศีลให้มากๆอไม่ต้องพูดถึงเผานาก็ได้ให้ทํามากๆรักษาศีลให้มากๆ ตายไปแล้วไปเกิดบนสวรรค์เกิดบนสวรรค์โอ้บนนั้นอีกพลังพร้อมไปด้วยกามาคุณทั้งนั้นบริโภคแต่กามจนลืมกินลื ม, ล ม, ล ม, ลมนอนลืมอะไรแต่ลายหมดอยู่บนนั้นเรามาดูธรรมะที่พุทธเจ้าท่านทรงแสดงท่านทรงแสดงทานกระถาศีลกรถาการให้ทานการรักษาศีลทําให้เราได้สวรรค์ทานศีลทานกถาศีลกรถาสักขะกถาสักขะแปล ว, ว่าสวรรค์ แสดงถึงสวรรค์ทานศีลเป็นเหตุให้ได้สวรรค์เสรนัปโรมครัวเพราะเราจะติดในกามคุณทั้งหลายทัเพราะงั้จึงแสดงโทษของสวรรค์อาทีนวะคถ า, าโทษของสวรรค์โทษของกามคุณคเสรนัปชี้อันที่สองในการออกจากกามคุณทั้งหลายเหล่านั้นอาทีนวานิสังสาถานี่คืออนุปูปีคถาห้าเสรนัปโรขมขโมยด้วยหลักอริยสัจทั้งสี พมาขมวดหลังอริยสัจทั้งสี่มันเป็นการเปิดไปให้เห็นหลักของสัจธรรมข้อเท็จจริงของมันคืออย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้พระยสัจท่านจึง ไ, ได้ได้ดวงตาเห็นธรรมใช่ไหมพระยสัจได้ฟังอนุปุปพิกขถาห้ากับอริยสัจทั้งสี่ขมวดลงด้วยอริยสัจทั้งสี่ยสัจปรบุญได้ดวงตาเห็นธรรมจิตปรับขึ้นระดับหนึ่งของผู้ผู้ได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบัน เห็นว่ากายไม่ใช่ของเราแล้วเห็นเป็นพระโสดาบันละสกายอทิฐิมีความสําคัญว่าเป็นกายเราได้แต่ว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณยังเต็มแพร่อยู่นะยังเต็มแพร่ยังเข้าใจอยู่บ้างแม้แต่กายนี่กัละยังไม่ได้กล่าวพระโสดาบันละละอะไรสกายอาทิติได้ยี่สิบยังยังไม่ใช่ละได้ทั้งยี่สิบนั้นเป็นอํานาจของ พระอนาคามีไม่เกี่ยวข้องกับกรมคุณทั้งหลายเหมือนอย่างวิสาขะวิสาขะเสียถีไปฟังเทศทุกวันทุกวันทุกวันจนได้เป็นพระอนาคามีพอกลับไปแล้วก็บอกบอกอนุนให้มีอันนี้ให้นี่ก็ให้เธออันนั้นกให้เธออันนั้นก็ใ้เธอเราไม่เกี่ยวข้องกันต่อไปนี้เราไม่ยุ่งไม่เกี่ยวข้องกันแล้วภรรยารู้ว่าได้เป็นพระอนาคามีภรรยาเลยขอไปบวชนางธรรมทินนาไปบวชไม่นานได้เป็นพระารหันนี่ย อันนี้คือความเป็นพระความเป็นพระอนาคามีแต่พระโสดาบันนั้นเห็นเหตุปัจจัยความเป็นไปของกายไม่ใช่เอาแต่สักแตว่าไปสําคัญมั่นหมายว่ากายเราว่ากายของเรามองเห็นจริงใดสิ่งหนึ่งเป็นไปตามภาวะของของมันมองเห็นภาวะของสังขารมองเห็นภาวะของเหตุปัจจัยของสังขารเห็นความเปลี่ยนแปลงไปของสังขารก็เหมือนอย่างพระยาโกนัญญาเข้าใจ ย่างกิจสมบุติยะธรรมังสัม บ, บัตังให้รสธธรรมสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาอันนี้คือภาวะของสังขารทั้งหลายทั้งปวงคือภาวะของสังขารทั้งหลายทั้งปวงพระยักษ์สัได้ลงตาเห็นธรรมพ่อตามหาพ่อได้ไปฟังอีกรอบหนึ่งนะในระหว่างที่ฟังไม่เห็นกันแหละพ่อกระลุกไม่เห็นกันตอนนั้นจิตของพระยักษ์สัได้เป็นประกสุตดาบันแล้ว จิตมันขึ้นมาเป็นระดับหนึ่งแล้วนะแต่พ่อยังอยู่ระดับปุถุชนอยู่พอพร ะ, พระยัสสได้ฟังอีกรอบหนึ่งพร้อมกับพ่อนะจิตของพระยัสสพัฒนาไปจนถึงที่สุดได้เป็นพระอราหันต์พ่อได้ได้แค่ลงตาเห็นธรรมเนี่ยพ่อได้ลงตาเห็นธรรมธรรมะกันเ ด, เดิมของพระพุทธเจ้านีา่แหละเราพิจารณาใคร่ตัวซ้ําซาก จะทำให้จิตของเราขยับ e ข um, right yeah, UH, ึ้นขยับข right. ึ้นขยับขึ้นเพราะมันเข้าใจละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นเห็นความโง่ของของตัวเองเห็นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นการบรรลุธรรมกันเข้าไปรู้ธรรมการเข้าไปเห็นธรรมถ้าจะว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือเห็นความโง่ตัวเองเห็นความโง่อย่างนั้นโง่ย่งโง่ยึดโง่ถือโง่อะไรต่ออะไรสรพักนี่คือคือหลักของการมคุณทั้งหลายทั้งปวง มันเป็นวงจรของจิตมันออกไปตามน่ของตัณหาตัณหามันพาไปหาสิ่งที่นึกที่รักที่ชอบอย่างนั้นไม่จบไม่สิ้นตราบใดที่เราบริกรรมเราหลงลืมสติลืมสามัญญามันก็เอาไปใช้ทีนี้เราเจริญวิปัสสนาเจิญวเจริญสมถะหรือทาให้ใจเราความสงบเช่นอย่างอุทกกะดาบตรลาระดาบท่านสงบจนถึงขั้นพิจารณาร อรมณ์ปิชานอารมณ์สมมาบัแต่เราพิจารณาให้จิตได้รับความสงบนั้นจิตของเราจะสะสมความสงบว่าในความสงบนั้นมีความสุขและก็มีพลังมีพลังเพราะฉะนั้ครูบาอาจารย์เราจรึงสอนให้เราบริกรรมภาวนาพุโทโธพุโทโธพุโทโธอยากคิดว่าพุโทโธเนี่ยเสียเวลานะอยากคิดว่าพุโทโธเนี่ยไม่มีปัญญาอยู่ในนั้นเพราะตัวสร้างสติตัวสร้างปัญญายัางทํางานอยู่ ตัวสติทําตัวปัญญาทํายังทํางานอยู่ลองขาดสติลองขาดสัมผัชันยักลองดูสัมผัชัญยักคือความรู้ตัวลองขาดตัวเหล่านี้ดูตัณหามันดึงไปแคบเดียวนะไปถึงไหนก็ไม่รู้พุโทโธพุโทโธพุทโธไปถึงไหนก็ไม่รู้แต่ถ้าเรามีสติอยู่ตัณหามันครอบไม่ได้ตัณหามันมาแทรกไม่ได้แล้วก็สิ่งสิ่งที่เป็นประจักษ์หนึ่งเดียวสิ่งนั้นก็คือ อารมณ์ที่ชัดเจนที่สุดในใจของเราจะชัดเจนได้ครั้งละหนึ่งอารมณ์การที่เราพยายามประคองจิตของเราอยู่กับพุโทโธหมายความว่าเรับลุกจิตของเราตื่นโรู้อยู่ตลอดเมื่อตรบาบใดที่เขาตื่นโรูอยู่ตลอดสงบอยู่างนัตลอดตันหาครอบจิตเราไม่ได้สมุทัยเกิดที่จิตไม่ได้สมุทัยเกิดไม่ได้แสดสงว่ามาัดเราทำมัดแทน เราเจริญมากอย่างเต็มที่สมุทัยเข้าไปแทรกไม่ได้เจริญมากเข้าเต็มที่สมุทัยเข้าไปแทรกไม่ได้ตันหาเข้าไปแทรกไม่ได้เมื่อตันหาแทรกไม่ได้ตันหาเมืก็สงบระงับเฉยแต่มันไม่ได้เห็นราก <c oughs> เห็นเง่า <c oughs> เห็นต้นต่อเห็นพื้นพื้นฐานเพราะฉะนั้นท่านจะให้เจริญปัญญาสงบขั้นไหนท่านให้พิจรารณาขั้นนั้นสงบขั้นไหนท่านให้พิจารณาสงบขันไหท่านให้พิจารณาล้มตาท่าน สอมันจะมันจะต้องได้ชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่เสียก่อนแล้วค่อยค่มาพิจรารณาท่านให้เภาไว้ใจได้รับความสงบเอออิ่มพอสมควรมีเรื่องมีแรงพอที่จะพิจรารณาท่านก็ให้พิจารณาสลับกันไปแต่ถึงคราวพิจรารณาพิจารณาให้เต็มที่ถึงคราวทําให้สงบทั้งให้ทําให้สงบให้เต็มที่ให้เดินไปด้วยกันสลับกันไปเหมือนขวาซ้ายขวาซ้ายเดินไปขาขวาขาซ้ า, าย ขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซาพอทํางานไปเหน็ดเหนื่อยท่านแค่อยู่อยู่ก็ที่หยุดพักเหนื่อยส่วเราพิจารณาไปเหน็ดเหนื่อยทัานแค่พักเข้าสู่ความสงบทำความสงบไปมีกําลังมีเรี่ยวมีแรงท่านแค่เดินก็ไปเดินก็คือพิจารณาเดินไปเดินไปเดินเหน็ดเหนื่อยหยุดอีกเดินหยุดเดินอยู่สลับกันเอาแรงอยู่อย่างนี้อันนี้คือวิธีการที่สันสอน อ่าไม่ใช่ว่ารอชีวิตนี้ทั้งชีวิตให้ได้ชานสีนที่ก่อนแล้วค่อยมาพิจารณาตายเปล่าบางคนไม่สงบอยู่กับเนื้อกับตัวกับจิตทิ้งอารมณ์ก็ยังไม่เคยเข้าถึงเลยเมื่อไหร่เราจะถึงสักทีเพราะเราไม่ได้ตั้งใจทําจริงจังอะไรมันไม่ได้เห็นทุกเห็นโทษเห็นพยอย่างจริงจังพอกาสที่เราจะทีบตัวไปให้สุดๆเอาเป็นเอาตายเข้าใส่มันเป็นไปได้ยากกันนะถ้าหาไม่เห็นโทษเพรามันอย่างจริงจังเห็นได้ยากเป็นไปยากทีบตัวไปได้ยาก ทีนเราหัดมาพิจารณาเราพิจารณาหให้เราจับหลักมหาสติเหมือนอย่างที่หลวงปู่เจียท่านเทศถูกแล้วท่านเทศพิจารณาอนาปะอนาปานะอนาปาป็นเรื่องของวิปัสสนานะอนาปานะอนาปานในเรื่องของวิปสนาเราไปรู้ในหลักของมหัศจรเจริญกายตามดูกายในบทของกายนะก็พูดไว้หลายอย่างพิจารณาลมลมหายใจเข้า ยาวรู้ให้ใจออกยาวก็รู้ให้ใจเข้าสั้นกร็รู้ให้ใจออกสั้นกร็รู้ตางกําหนดรู้เ อ, เอาอะไรมาเป็นเครื่องทางกําหนดรู้ตั้งสติให้โรโรขึ้นมาเนื่องจากสติเรามีสมารรห น, นุนสติของเราก็จะคงสติกปัญญาอย่าลืมว่าอยู่ด้วยกันสติสัมปชัญญะสติมาสัมปชัญญะก็จะมาด้วยสัมปชัญญะคือความรู้ตัว ความรู้ตัวนี้เราเรลึกได้ไหมในตัวเราเราเราลึกได้เราลึกถึงความรู้ตัวบางทีเราราลึกตั้งแต่ฝ่าเท้ามาจนถึงปลายผมลึกตั้งแต่ปลายผมไปจนถึงฝ่าเท้าเราลึกสัมผชัญญยะราลึกตัวแล้วเราแยกลองแยกสติลูกสติกับสัมผัชัญญะมันต่างกันยังไงสติอาจจะเป็นเครื่องช่วยกระตุกกรตุนกระตุ้นปั๊บสัมผชัญญะประคองกระตุ้นปั๊บสัมผัสชัญญยะประคอง ตั้งสติขึ้นปั๊บสติคือระลึกรู้สัมผัจัญญะประกอบสติปัญญาองค์ของสติองค์ของปัญญาเวลาเราเอามาพิจารณาเกี่ยวกับหลักมหาสติปัฏฐานจะพิจารณากายก็ตามพิจารณาเวทนาก็ตามจะพิจารณาจิตก็ตามจะพิจารณาธรรมก็ตามทําไมรูทธร้าท่านจริงตั้งอารมณ์แค่สี่อันแค่นี้แค่กายแค่เวทนาแค่จิตแค่ธรรมเพราะ ตัณหาเนี่ยมันพาดพิงมาที่กายท่านจึงให้ต่อตามกําหนดกายในขณะที่เราตางกําหนดจดจ่ออยู่ตัณหามันมาแทรกไม่ได้ตัณหามันพาดพิงมาที่เวทนามนแทรกเข้ามาที่เวทนาเวทนาสุขเวทนามันก็แทรกเข้ามาทุกเวทนามันก็แทรกเข้ามาสุกกายทุกสุขกายสุขใจทุกกายทุกใจแม้แต่อุเบกขาเวทนามก็แทรกเข้ามา เบกขาคือไม่สุขไม่ทุกข์มันกลางกลางแต่ม exactly the ันกลางเพื่อที่จะซ้ายเพื่อที่จะขวาเข้ามานั่นแหละอ่ามันกลางกลางเพื่อที่จะสุขมันกลางกลางเพื่อที่จะทุกข์อาชีพกลางกลางอยู่อย่างงั้นอยู่ตลอดไปถ้าไม่ใช่ภาวนาแล้วมันใช่เดี๋ยวมันก็เอ็งเดี๋ยวมันก็ล้มไปข้างไปข้างหนึ่งมันไม่เคยอยู่เท่าเดิมตัณหามันคอยสวมรอยมาเพราะเราเผลอปับมาสวมรอยสุขเวทนาไม่ยึดสุขเวทนามายึดทุกขเวทนามายึด อย่ า, ายึดจสุขทุกมันไม่ยึดนะทุกเวทนามันก็ยึดเรารู้ได้ยังไงเรารู้ได้ต่อเมือ่อเราเจริญสติโรูในใจของเราเราขหบรถจอด ร, รอยูภ่ภายในใจิตของเราตัณหามาแทรกเข้ามาไม่ได้เพราะสติของเรากล้าสติญญของเรากล้าสมรชัญญะของเรากล้าปัญญาสมาธิรวมอยู่ด้วยกันนี่แหละเจริญโรูอยู่ ปัญหามันแทรกเข้ามาไม่ได้เพราะสติเรากล้าสติโรคพอเกิดฉุกเวินธนาขึ้นมาปับ๊บเรารู้ว่าฉุกเฉินาแต่มันไม่ได้ซึมเข้าไปในจิตนะตราบใดที่เรามีสติมีสามัญชั้นยอยู่มันไม่ซึมเข้าไปในจิตมันไม่ได้ยึด ม, มันไม่ได้ถึงสักเท่าไหรเห็นจริงจีท่านว่าเห็นสักเท่าไหรเห็นจริงๆได้ยินสักเท่าไหรได้ยินจริงๆคือรู้ว่าดีอยู่แต่ไม่ได้ยึดรู้ว่าไม่ดีอยู่แต่ไม่ยึด อันนี้หมายความว่าจิตของเรามีสติกล้ามีปัญญาแข็งอยู่ในขณะที่เรากระโดจดจ่อพิจารณาอยู่ในเมื่อเวทนาไม่ทาหน้าที่ให้เป็นสุขเวทนาและก็ยึดทุกขเวทนาก็ยึดสุขเวทนาขายึดตัณหามันแสดงไม่ได้แสดงตัวขึ้นมาไม่ได้มายึดสุขเวทนาก็ม่ยึดสุขเวทนามันก็ม่ยึดกลายเป็นว่าสุขเวทนาสัตว์แต่ว่าเวทนาสัตว์แต่ว่า ในเมื่อตัณหามันผ่านไปไม่ได้เมื่อสุขเวทนาเกิดพราอมันยึดพับเกิดตัณหาสุขเวทนาทุกเวทนาเกิดขึ้นเต็มไปได้หรวจิตวใจของเราทียไรเมื่อไหร่ตัณหาเกิดทีนั้นเมื่อนั้นเพราะเกิดตัณหาพับตัณหามันกระายยึดด้วยเหตุที่มันไม่เกิดเห็นจักจะว่าเห็นความยินดีไม่เกิดความยินร้ายไม่เกิด ลองพิจารณาดูดิดูยังไงเห็นยังไงไม่ยินดีดูยังไงไม่เห็นไม่ยินร้ายเราสามารถทดสอบได้ทันทีทันใดเลยนะเราก็มาจดจอลองดูมันไม่เกิดในเมื่อมันไม่เกิดหมายความว่าความอยากมันไม่เกิดความอยากคือตัณหาเมื่อเมื่อตัณหามันไม่เกิดไอ้สิ่งที่มันจะไปเก็บเป็นอุปาทานมันก็ไม่มีเมื่ออุปาทานไม่มีไอ้สิ่งที่จะซืบช่วงไปเป็นเพราะเป็นชาติเป็นอะไรมีไหมไม่มี มันสามารถสงบพระงับดับตัณหาในปัจจุบันทันด่วนได้อย่างนี้ในการเจริญหลักมหาอีทธิฐานเพราะฉะนั้นใครสามารถเจริญได้ตามนี้พุทธิจาท่านจึงทรงแสดงอันนี้สองเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีตั้งอกตั้งใจทำผู้ที่มีบารมีแ ก, กล้าภายในเจ็ดวันอย่างช้าไม่เกินเจ็ดปีคนคนนั้นถ้ายัางมีถ้าหมดอุป ธ, ธิหมด เยื่อใหญ่หมดกิเลสตัณหาที่จะไปเกิดหมดอุปธิที่จะต้องไปอุบัติไปเกิดอีกคนนั้นก็ได้เข้าถึงความเป็นพระอาหารหันต์ถ้าหากยังมีอุปธิอยู่อย่างสูงสุดได้เป็นพระอนาคามิยังต่ำจุดได้เป็นพระโสดาบาันทายังไงถึงจะได้เป็นอย่างนั้นเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีพรากเราทํากันมาจนหัวดำหัวงอทํางไมจะได้เจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปี การที่เราจะทําเกียรติวันเกียรติเดือนเกียปีให้เป็นเหมือนอย่างที่ทัานว่าได้นั้นเราจะต้องทําอย่างต่อเนื่องเหมือนเขาพยายามสีไม้จนเกิดเกินไฟแล้วก็มันมีเงื่อนไขยอยู่ในนั้นการสีสีไฟเปรียบเทียบมากับที่ตัวเราที่เอามาปฏิบัติทำพุทธญาณสังกัปปกายยังไม่ออกจากการจิตยังไม่ออกจากกามเนี่ยเป็นปัญหาที่เราจะต้องเอามาย้อนมาคิดมาพิจารณา กายยังไม่ออกจากการหมายความว่าเราอยู่บ้านอยู่อยู่บ้านครองเรือนมีลูกมีเต้ามีงานมีการมีอะไรว้าวุ่นไปหมดกายยังไม่ออกจากการจิตยังไม่ออกจากการก็จิตนึกคิดในเรื่องกามกายยังไม่ออกจากการจิตยังไม่ออกจากการถึงแม้จะทาความเพียรเรี่ยวแ ร, เ ร, เรงเท่าไหร่ก็ตามท่านบอกว่าเหน็ดเหนื่อยเปล่าเหมือนกับคนเอาไม้สดสที่ชุม่มระยะยังถูกแช่อยู่ในน้ำซะอีก คำว่าแช่อยู่ในน้ําหมายความว่าาเรายังจิตกายของเราจิตของเรายังไม่ออกจากการเสร็จแล้วเรายังบริโภคการอีกมันเอาไปแช่น้ําให้เปียนเพิ่มเข้าไปอีกแล้วไปเสียเกิดไฟไฟกับน้ํามันเป็นปฏิปักษ์กันจะเป็นมันจะเป็นเปลวไฟขึ้นมาได้ยังไงแต่เราไม่ปฏิเสธวิบากนะแม้แต่เราเอาไม้สดๆไปเสียเกิดไฟไปสีสีสีไปชิมมันมันทะเลาะกบกมันก็เริ่มเหมือดเริ่มแห้งเริ่มอะไรไป หมายถึงวิบากกรรมที่เรามาทำทุกครั้งมีอยู่เก็บอยู่สะสมอยู่ไม่ใช่ว่าไม่มีไม่ใช่ปฏิเสธว่าไม่มีเรามาทำทุกครั้งเรามาทำบุญทํากุศลนั่งภาวนาทําทุกครั้งมีผลวิบากเก็บสะสมอยู่แต่จะหากจะถึงขั้นเป็นไปได้จริงๆแล้วกายจะต้องออกจากกายจิตจะต้องออกจากกายจิตออกจากกายหมายกว่าว่าจิตสงบจิตมีสมาธิ จิตไม่มีสมาธิคือจิตนึกถึงเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องสัมผัส น, นั่นแหละคืออารมณ์กรรมพอจิตสงบระงับจากสิ่งเหล่านั้นจิตอยู่กับพุโทโธพุโทพโธจนอิ่มอยู่กับพุโทโธปล่อยคําบริกรรมพุโทโธแล้วจิตก็ไม่ไปไหนอิ่มตึงอยู่นี่แหละอิ่มอารมณ์มันไม่หิวกามเราทําให้ได้ขนาดนี้นีน่คือจิตที่รู้จักสํารอกการมรู้จักสละกามรู้จักวางกาม เสรแล้วพิจารณาอัดทำจริงจะพอเป็นไปได้เม no. claro. <sin> ื่อเมื่อจิตเมื่อกายออกจากกรรมแล้วบางทีกายยังไม่ออกจากการมเราอยู่บ้านอยู่ช่องอยู่ครองเรือนอยู่นี่แหละแต่เราพยายามเอาจิตของเราออกจากกรรมก็เหมือนอย่างเราอยู่บ้านอยู่ช่องนี่แหละมามัดบ้างมาอะไรบ้างแล้วก็มาตั้งใจผ่อนาใจสงบจะลืมว่าใจเราตั้งใจผ่อนห้สงบมันจะสะสมข้อมันเองสงบมากสงบน้อยสงบไปเรื่อยช้ำนิดช้มาก็ไปเรื่อยช้ำนิดช้มาก็ไปเรื่อย ใครจะรู้ได้บุญญาบารมีของเราส่สงเสริมมามากน้อยเท่าไหร่เรามีบุญมีญาบารมีมีอินทรีย์มาด้วยกันทั้งนั้นนะเราอย่าไปตำนตัวเองการตำหนิตัวเองหนะ้าเป็นการทําลายโอกาสทําลายประโยชน์ทําลายโอกาสทําลายประโยชน์าก า, ทาราที่เราบึง้งบือตั้งอกตั้งใจแก้ไขแก้ไขแม้จะเฮือกสุดท้ายมันก็ยังเป็นโอกาสสําหรับเราที่เราจะปรับปรุงแ ก, ก้ไขแก้ไข ий, เปลี่ยนแปลงได้เ น, นี่ยพราะใจเราเริ่มสงบ ใจของเราออกจากตามเราอยู่ครองบ้านครองเรือนเหมือนวิสาขาเศรษฐีนั่นแหละแต่สามารถเป็นพระอนาคามีได้ใช่ไม้มแต่ถ้าหากใจไม่สงบมันจะไปถึงขั้นนั้นไม่ได้เพราะยังใจสงบจึงเป็นเกณฑ์สําคัญที่สุดอย่าไปจําหนีว่าสมา ธ, สมาธิสมาธิเสียเวลาอย่าไปจําหนิเล็ดขาดคนที่จาหนีคือคนไม่เข้าใจสมาธิของพระพุทธเจ้ามีปัญญาอยู่ใน น, น้ำเป็นสัมมาสมาธิ ไม่ใช่สมาธิดับมืดมิดหายไปไม่รู้จักอะไรตื่นขึ้นมากเหมือนตื่นจากนอนอืไม่ได้อะไรอะสมาธิของพระพุทธเจ้าทิ้งคำบริกรรมแล้วอยู่กับอุรูโรมีความรู้สึกมีมีความรู้ตลอดอยู่ออยู่กับปีติอยู่กับความสุขหรือถึงขั้นสูงสุดอยู่กับอุเบกขา กับอารมณ์เดียนี้ต้องเป็นพื้นจิตสงบยิ่งนิ่งอยู่กับอารมณ์เดียเป็นพื้นวางใช้หรือไม่ก็มีความสุขความสุขจากความสงบนี่เป็นความสุขที่บริสุทธิ์มันไม่เป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากความดีใจความเสียใจเกิดขึ้นจากอารมณ์ภายในจิตมันสงบตัณหาภายในจิตมันสงบมันสงบคือมันหยุดนะแค่ความความสุขออ Carson, สมถะเนี่ยมันสงบมันหยุด มันไม่ใช่เรื่องขังมยาปัญญามันเป็นเรื่องที่เข้าไปเห็นรากเห็นโคนเห็นต้นเห็นต่อเห็นทันมันเหมือนอย่างเราเห็นตันหันในขณะที่เราทําเกิดความยินดีปั๊บเราทันปั๊บมันดับเห็นความยินร้ายคือความไม่พอใจกับสิ่งนู้นสิ่งนี้เห็นปั๊มันโผล่ขึ้นมาปั๊บปเราทันมันดับความยินดีเกิดขึ้นปั๊บคำปั๊บดับเกิดความยินร้ายปั๊บปั๊บดับพับดับ การที่เราเห็นตัณหามันดักมหมายความว่าความรวดเร็วภายในใจของเราสติของเรารวดเร็วปัญญาของเรารวดเร็วสามารถทันกับกิเลสตัณหาได้อมันเริ่มไปตั้งแต่ยุงย่งๆหยิงย่งๆเลยแหละจนกว่าจะโกรไปตลปอดมันไม่ไมกระแส ด, ดงตัวมาแสดงออกมาที่ไร้ขาแสดงออกมาที่ไร้ขาแสดงแสดงออกมาที่ไร้ขามันก็หมอบอยู่นั่นแหลอะอมันก็หมอบอยู่ ถ, ถ้าใครเคยไล่แย่เข้าหูแย่มันไม่นหนีเราหนีไปแล้วไปเข้าหูเราไปสมุดเราไปกำหนดจุดจอดูซึ่งมันจะแอบโผล่มานะโผล่มาดูเราพอเห็นแลปั๊บปุบก็ไปพอเห็นแลปั๊บปุบก็ไปอีกเ่ยพอเวลาเราต้องการทําไมขุดตามันไปมันก็อยู่ในนั้นเองขุดตามันไปตันหาเวลามันไม่กล้าโผล่เพราะสติเรากล้าปัญญาเราดี ตัวไหนโปลขึ้นมาก็ขาดตัวไหนโผลขึ้นมาก็ขาดาว่าขาดหมายความว่าสติของเรามันแก่กว่ามันกล้ากว่ามันมาแซงไม่ได้อารมณ์ภายในจิตที่เด่นที่สุดหนึ่งเดียวอย่าลืมอย่าลืมหลักมันเป็นหลักหนึ่งเดียวถ้าเป็นสองสิง่งสามสิ่งขึ้นไปเป็นต้นไปเนี่ยไม่มีอะไรชัดสยียอย่างอารมณ์หนึ่งเดียวนี่ยหละคือจิตของเราอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันเหมือนเราทันตัณหาทันปั๊บระดับทันปั๊บระดับ เริ่มดับไปตั้งแต่ลูกหลานเลนเข้ามานี่แหละดับไปเรื่อยดับไปเรื่อยดับไปเรื่อยเหลือปู่เหลือย่าเหลือร่าเหลือเง้าเอามันพยายามขุดตามเข้าไปคือมันหลงความหลงที่มันละเอียดเป็นพื้นเป็นพืชนภายในจิตของเราท่านจึงให้มาขุดมาที่กายขุดมาที่เวทนาขุดมาที่สัญญาที่สังขารที่วิญญาไล่ต้อนทั้งหมดขันทั้งห้าเนี่ยขุดไล่ต้อนเข้ามามาพิจารณามาไล่ถึงอะไรเราอะไรของของเรา พุดหาว่าอะไรเป็นเราอะไรของของเราเดี๋ยวนี้มันยึดมันติดยึดมันยึดเรามันติดเราความรู้สึกว่าเป็นเรามีหรือไม่มีเราดูที่เวลามันเกิดความรู้สึกไม่ใช่เราไม่มีเรามีไหมมีเราลองเจริญสติของเราให้โร่อยู่ความรู้สึกจักไม่มีความรู้สึกว่าเป็นเราว่าเป็นของของเราสักต่ว่าเป็นธรรมชาติอย่างแท้จริงมันเป็นสิ่งที่พิสูจน์ให้เราเห็นได้ว่า ธรรมะของพระพุทธเจ้าสามารถเดินตามท่านไปได้ไม่เหลือบากว่าแรงขอให้เราตั้ง อ, อกตั้งใจฝึกฝนอารมณ์ตั้งใจประพฤตามตั้งใจปฏิบัติตามเก็บเล็กผสมน้อยไปแต่ข้อสําคัญอย่าลืมว่าจิตของเราจะต้องสงบจิตสงบคือจิตทิ้งกามตราบใดที่จิตยังไม่ทิ้งอารมณ์การจิตจะวุ่นจิตก็เรื่องของกามมันสําคัญอยู่นะวันทีเราออกจากบ้านจากช่องมาอยู่วัดแล้วก็ตาม มันไม่ได้คร้กคีอยู่กับครอบครัวแล้วเละมันมาอยู่วัดแล้วเนี่ยแต่มันคิดแต่เรื่องกามกามคุณกามคุณมีคุณอยู่แต่มีคุณนิดหน่อยมีโทษมากกรรมคุณกามคุณมีโทษหรือไม่มีโทษเราดูบนสวรรค์บนสวรรค์หกชั้นนะ่ะเทวดาบนสวรรค์เขายัางแย่งแย่งแย่งกามกันเห็นไหมเนี่ยมีโทษหรือไม่มีโทษอืในตำนาน ทานพูดถึงเนีมีเทวดานางหนึ่งงามมากไปเกิดในระหว่างเส้นแบ่งของเทพเทพของไอ้เทพประบุสองตนเนี่ยอองหนึ่งก็ว่าของตัวเองอีกองหนึ่งเขว่าของตัวเองไอ้ต้นหนึ่งเขาว่าของตัวอีต้นหนึ่งก็ว่าของตัวเถีย ง, งกันนั่นสิเถียงกันเถียงกันไม่ลงไปถึงพระอินทร์พระอินทร์มันจะเสีย น, นีย่พวกเธอเห็นยังไงนางไาอ้คนหนึง่งเขาว่าน่าจะเป็นของผมไอ้คนหนึ่งน่ะ น่าจะเป็นของของของพระอินท์บอกว่าพวกเธอมีความคิดเห็นแค่นั้นเรานี่ถ้าเราไม่ได้นางนี้เราตายแน่พระอินเอาไปจ่อยเห็นไหมรู้นิเดดไหมกามหยรู้นิเดดไหมนั่นบนสวรรค์นั่นคือชั้นที่บริโภคกามโทษของกามคืออะไรบ้างเป็นอะไรบ้างเราก็มาดูก้อนกามนี่ร่างกายของเราคือก้อนกาม ดูที่ดูความทุกข์ของมันที่ตื่นขึ้นมาต้องหาอะไรใส่ให้มันแล้วเดี๋ยวหนักเดี๋ยวเบาเดี๋ยวปวดเดี๋ยวนูน่นเดี๋ยวนี้เดี๋ยวหาใส่ปาใส่ท้องทํามาหากินประกอบอาชีพเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเพื่อมันเลี้ยงมันบางคนก็ยอมชั่วหมดทั้งตัวไปเพราะอเอามาเลี้ยงกายนี่คือโทษของมันจากนั้นแล้วพวกรเมียอยู่คนเดียวก็ไม่ได้ต้องมีสามีต้องมีภรรยา แต่สามีภรรยานั้นถ้าคิดว่าเป็นคู่บารมีก็เป็นเรื่องดีอมันไม่ผิดกันมันไม่ทะเลาะกันแล้วก็ร่วมสร้างคุณงามความดีต่างคนต่างบำบัดทุกบำบงสุขให้แก่กันและกัน้ามีกับภรรยาถือว่าเป็นคู่บารมีแต่ถ้าถือว่าเป็นคู่บังเรอแล้วโอ้เจอเร็วมากเลยลนะ่ะเจอโทษของกรมเนี่ยเดี๋ยวได้ทะเลาะกันเดี๋ยวได้ฆ่ากันนะฆ่ากันสั บ, ส บ, สบยัดช่วมนะเคยเห็นไหม นัคือโทษองกรรมเห็นไหมมันเคยอยู่เคยพอเป็นที่ไหนท่านยินว่านัตถิตันหาสมาธิความอยากคือตันหานั่นเอ๋ไม่ใช่อะไรตันหาคือความอยากความอยากคือตันหาเราไม่ต้องไปแยกแยะการมตันหาเพราะตันหาพิภพะะตันหาเราพยายามเข้าใจเรื่องความอยากเราจะรู้เองแล้วมันไม่จําเป็นจะต้องไปแยกไปรายละเอียดขนาดนั้นะมันเป็นหลักการมันเป็นวิชาการ ภาคปฏิบัติขอให้เราทันความอยากในใจของเราเราจะเริ่มเห็นผลปรากฏในหัวใจของเราเกี่ยวกันที่เราตั้ง อ, อกตั้งใจภาวนาอันนี้คือเราพูดถึงเรื่องของกามกามทำให้เราไม่สงบเราต้องการจะทำใจของเราให้เห็นอาจเห็นธรรมเราจะต้องสงบระงับจากกามจะต้องหยุดและมอหาความสุขได้ได้ได้ไดเลยหาความสุขตามวิธีการที่พุทธเจ้าท่านสอนเนี่ยพวกเราไปวิ่ง สแสวงหาการวิ่งหาจนจะเป็นจยากตายบางทีไม่ได้ความสุขเลยบางทีเกือบตลอดทั้งชีวิตยังไม่มีความพอใจกับความสุขที่เราวิ่งสแสวงหากาวิธีการของพระพุทธเจ้าไม่ถึงครึ่งชั่วโมงได้รับความสุขแล้วเธอจงหยุดไม่ต้องวิ่งตามมันหยุดไม่วิ่งตามรูปตามเสียงตามเปลี่ยนตามรถตามสะบัดอยู่กับบทธรรมพุทโธพุทโธพุทโ ธ, ทธนี่คือบทธรรมในเมื่ออยู่กับพุทโธ ม, มันก็ไม่วิ่งไปตามนั้นแล้ว สนียมีความสุขนักนาทีสันติปรังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีสุขอย่างเือนสุขเกิดขึ้นจากความดีใจความเสียใจมันประกอบไปด้วยอามิตรแต่สุขอันนี้เป็นสุขที่บริสุทธิ์ไม่ต้องอิงอามิตรสุขจากความสงบตัณหาไม่แสดงฤทธิเดชในหัวใจจิตจึงมีความสงบจิตจึงมีความสุขนี่คือตัณหาสงบ สงบประนับสงบประนับขั้นสมาธิสงบประนับขั้นปัญญาเข้าไปรู้เข้าไปเห็นเข้าไปทําลายความหลงเห ม, มือนอย่างที่ว่าขุดแยะนะ้นั่นแหละขุดไปขุดไปขุดไปจับตัวมันได้ถ้าให้ให้เราเราปากนู้นปากนี้ดูไปไล่ไปไล่ไฟไล่ไ ป, ไปท่านจึงให้พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังท่านจึงให้พิจารณาดินน้ําลมไฟอัตภาพของร่างกายนอกจากพิจารณาความเป็นไปความเป็นมาของมันร่างกายความเป็นไปความเป็นมาของใจ ความเป็นไปความเป็นมาของกายไม่รู้ที่ไปที่มาของกายไม่รู้ที่ไปที่มาของใจเราก็ยิ่งลุ่มหลงเพราะความลุ่มหลงนี่เองทำให้เรายุดทำให้เกาะการที่เราพิจารณาให้หายความลุ่มหลงนี่เองเท่ากับเราขุดไปจับเอาตัวแย่ขุดเพื่อที่จะเอาไปจับพยานมาไปจันน้ากับ ต, ตันหามันจะจำนนจำยอมกับหลักสัจธรรมที่เป็นไปจับพยานให้กับมันทั้งนั้น หลักศัพท์ธรรมที่มันอยู่หมะเห็นทุกเห็นโทษเห็นไฟได้เร็วที่สุดก็คืออันนี้จังทุกขังนันต์ตาเริ่มเข้าไปรู้เริ่มเข้าไปเห็นนะจิตใจที่ชักจะไม่ค่อยวางใจะจะไม่ฉะลาใจจะไม่ตายใจจะถือเอาประโยชน์จะมองเห็นกายเป็นกายจะมองเห็นใจเป็นใจจะมองเห็นประโยชน์เป็นประโยชน์และจะตั้งอกตั้งใจถือตามพระพุทธปฏิบัติตามอันนี้เป็นแนวปฏิบัตินะ โอ้ถ้าที่พาณนามาด้วยกันยางงานา น, น, ะ น, ะนะนานแล้วเกินยาวแลว้ตั้งชั่วโมงสี่สิบสานาทีโอโถโตโตโตโตตฮะน่าจะพอสมควรเก็เวลาแล้วไปนั่งภาวนานะไปนั่งภาวนาให้ใจได้ราาับความสงบอยากจะพิจารณาก็พิจารณาตามหลักมหาสีประทานใครจะถนัดพิจารณาตามบู ก, กายแต่สติต้องรูสมาธิอยู่ในนั้นปัญญาอยู่ในนั้นนะ หรือจะตามดูเวทนาตามดูอย่างแล้วนั่ง น, น, นี่นั่งนั่งนานๆปวดหัวหัวเขา่าปวดหัวเข่าปวดเอวเจาะไปตรงที่ทุกขเวทนาเนี่ยมันดีมากเลยเจาะทุกขเวทนาเนี้ดีมากเพราะสุขเวทนาเราพิจารณาไม่ค่อยได้หรอกพิจารณาสัหน่อยหนึ่งมันลืมละพิจารณาสัหน่อยมั น, ม น, ลมลนหนนลงละเพราะมันไม่จำเป็นต้องทนมันติดจุกแต่ถ้าทุกขเวทนาเนี่ยมันต้องอดต้องนนนทนเช่นอย่างทนเก็บทนปวดเนี่ยดูไป จิตมันไม่ไปไหนมันจ่ออยู่นะั่นจ่อมาแล้วก็ย้อนมาดูจิตล้งตาทั้นๆนะยอ้อนดูเวทนาแล้วก็ย้อนมาดูจิตดูจิตแล้วก็ย้อนไปดูเวทนามันย้อนได้นะลองย้อนดูนะลองย้อนดูเสร็จแล้วก็ย้อนไปดูกายอีกสมมติปวดหัวเข่าเนี่ยย้อนไปดูกายอีกหัวเขาก็คือหัวเขา่าเมื่อก่อนมันไม่ปวดอยู่ๆมันปวดมาอย่างไหนเนี่ยดูหัวเข่าแล้วก็มาดูเวทนา ดูเวทนาแลมาย้อนจิตจิตมันยืดไหมถ้าจิตยึดน่ะตัณหามันสวมรอยเข้ามาแล้วถ้าจิตมันไม่ยึดปวดสัจธว่าปวดนะกายสัจธวรมกายเวทนาสัจธรรมเวทนาย้อนมาดูที่จิตจิตมันยินย <med pareil>, ินดีจริงไหมจิตมันยินร้ายจริงไหมย้อนมาดูที่จิตเหลือแต่ผู้รู้มีแต่ผู้รู้จิตสัจธว่าจิตจิตสัจธว่าจิตไม่ได้ยึดอารมณ์ใดๆที่เกิดขึ้นจากความรู้ของจิต จิตสัจว่าจิตตัณหาแทรกเข้ามาไม่ได้ท่านให้ดูให้เห็นสัจสัจจะทำเหล่านี้มันไม่มีตัวมันไม่มีตนมันสัจจะเป็นสภาวะธรรมเราพิจารณาดูอย่างนี้แล้วจะทํําจะทาให้เราเข้าถึงอัตเข้าถึงธรรมเห็นอัตเห็นธรรมมันเป็นการพัฒนาจิตของเราให้ฉลาดแล้วก็มันเป็นปัญญาที่ชอบที่เกิดขึ้นจากอข้อเท็จจริงที่เราพิสูจน์ หมายความว่ า, วาพิสูจน์ด้วยกันมัดมือชอกเลย น, นั่งดูที่นั่งดูเวทนาลองนั่งดูที่ลองทดสอบกำลังความสามารถของเราลองดูนั่งอยู่ตรงไนในแหละนั่งปวดนี่นะเอาจิตของเราไปจอดูความปวดความปวดเป็นเราไหมเราวปวดไหมถ้าเกิดความรู้สึกว่าเราปวดตัณหามแทรกแล้วเดี๋ยวมันให้รื้อบรรลันแล้วเดี๋ยวรื้คือตัณหามันอยาก มันอยากไม่ปวดตัณหามันอยากไม่ปวดมันอยากไม่เจ็บมันอยากเป็นอัดตามันอยากเป็นเรามันอยากเป็นสุขขังมันอยากให้นิดจังเรื่องของตัณหาความเห็นของมันเนี่ยมันตรงกันข้ามกับธรรมะเลยนะเราดูให้เห็นให้ถ่างแล้วเราจะเห็นความโง่ของจิตของเราเนี่ยมันไม่ได้มีตัวมีตนใครป้อนให้มาจะไหน ตาหรือสีอะไรป้อนมาให้ได้จำตั้งแต่กลับกันไหนปรเด็นนะไม่มีหากมันเป็นความเลวของจิตของเราเองเนี่ยก้นบึ้งแต่แท้มเป็นอย่างนั้นนะจิตของเราจิตของท่านอ่ะเพราะฉะนั้นการให้เรามาปฏิบัติหมายว่าเรามาเคารพในเรามาชะม马าเรามาฝึกฝนเรามาอบรมมาชะมลาให้เข้าไปรู้เข้าไปเห็นอใครน้ามากก็คือไม่เคยฝึกเคยฝนมาปลให้อ ย, อยู่อย่างนั้น ใครบางลงบางลงบางล ง, ง, ลงก็เคยฝึกฝนเคยอบรมมาเคยชะเคยล้างเคยฝึกหัดดักแปลงนิสัยธรรมะของพระพุทธเจ้าทุกขั้นทุกตอนเป็นเครื่องระงับดับเปลี่ยนแปลงนิสัยเปลี่ยนแปลงปุบนิสัยจากนิสัยข้อกิเลสตัณหาเพราะกิเลสตัณหามันครอบคลุมจิตของเรามาไม่รู้กี่กัปคือ ก, การกี่ปุริชาตมาแล้วภพวชาติของเราไม่รู้มันไม่รู้มันมีเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ดูแต่พระพุทธเจ้าท่านเราลึกถึงท่านะเป็นกับก เป็นกี่กับสังวตรกรับวิบัติกี่วิบัติกรับไม่มีจบพวกเราเป็เช่นเดียวกันแล้วผู้รู้ของเราอุบัติมาตั้งแต่เมื่อไรตอนไหนเราก็รู้ไม่ได้พุทธเจ้าท่านไม่ทรงพยากรท่านไม่ทรงบอกท่านทรงสร้างไว้ตั้งไว้ที่อวิชชาตราบใดปล่อยให้อวิชชาครอบจิตของเรานั่นตัณหาเกิดขึ้นแล้วอวิชชาครอบอืเพราะฉะนั้นคำว่าอวิชชาจึงเป็นปรักปรยายชั้นเยี่ยว อวิชชาอวิชชาเก่ามันเกิดขึ้นมาตั้งแต่กับการปฏิชาหมายเราทราบไม่ได้เพราะเราเกิดมาทีไรเมื่อไหร่เรามีวิญญาณเรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจมันไปเห็นทางตามัมนก็ชอบเห็นสิ่งที่ดีมันก็ชอบตามวิสัยของมันเห็นสิ่งที่ไม่ดีมันก็ไม่ชอบมันก็สะสมมาอย่างนั้นเป็นกลับเป็นกันจนกลายเป็นอาสวะน้ําดองน้ําดองกิ่ของเราดองอยู่ในภพในชาติดองอยู่ในวัฏฏะสงสารเกิดแก่ยับยั้ตายเกิดแก่ยับยั้งแต่มันดองอยู่เนี้ ย, ย มันไม่ใช่น้ําดองห็นไน้ำดองนุ่นดองนี้ดองมะม่วงดองมะขามดองอะไรไม่ใช่น้ําดองดองเราอยู่ในภพในชาติมันเป็นคำพูดที่เป็นหลักปรัชญาเนี่ยนี่คืออวิชชาอวิชชากรรมส่งเรามาแล้วอวิชชาตัวใหม่เรามาพิจารณาตามหลักปฏิจัจสมุปบาทเรามาพิจารณาสมุทัยเรามาพิจารณาก้อนทุกข์หนึ่งอย่าลืมว่าพิจารณากายคือพิจารณากองทุกข์พิจารณาเวทนาคือพิจารณากองทุกข์ พิจารณาตัวจิตก็คือพิจารณากองทุกพิจารณาธรรมะคือสิ่งที่ตกล่วงไปแล้วในจิตก็คือพิจารณากองทุกพิจารณากองทุกเพื่อจ่จะมารู้จักสมุทยัยเหตุเกิดทุกในขณะที่เราพิจารณาอยู่นั้นถ้าเราขาดสติขาดสัมปญญะขาดกําลังของสมาธิของปัญญาที่เรียบร้อยตันหามกระแท้ตันหามแท้ตันหาแทกขึ้นมาทีไรเมื่อไหรอวิชชาก็ะครอก ไอ้ตอนที่มันยังไม่ครอบนะมันเป็นวิชาสว่างโรคจิตของเราจิตมันสว่างโรคพอถั่ววิชาครอบมืดตึ๊บนะฮะมันเกาะแล้วมันคลุมแล้วนี่เป็นหลักปรัชญาชั้นเยี่ยมคําว่าอาวิชชาอาวิชาครอบหมายความว่าสติปัญญาเรา อ, อ่อนมันครอบปั้มแทนที่จะพิจารณาเรื่องเรื่องอ่านเรื่องทำมันเป็นเรื่องของกิเลสไปหมดแล้วพิจารณาสุภาษสุภาพิจารณาไปพิจารณาไปโอ้ยิ่งงามยิ่ง ยิ่งหน้ากำหนับยิ่งหน้ายินดีเข้าไปแทนที่เห็นเป็นอสุภาสุปนาเบื่อหน้าไหนหนักหนาเข้าไปเพราะอะไรเพราะมันไม่ทันมันมาสวมรอยทีไรเมื่อไหร่ดึงไปเป็นสมักวพวกของมันทั้งหมดเรื่องเจ้าตัญหาพยายามทําความรอบคอบให้เท่าทันเรารู้ทั้งที่เราตื่นรูอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นท่านจึงให้เราทํายืนเดินนั่งนอนทุกอิริยาบถมีสติกำกับจดจ่อรอยู่ ทำอย่างนี้แหละเจ็ดวันเจ็ดเตือนเจ็ดปีอ่ามันพอมันพอจะเป็นไปได้แต่พวกเรานั่น่ะถ้าจะเทียบกับทูธทูธไม้เกิดไฟทูธทูธูธแล้วก็หยุดไม่จะเป็นไม้แห้งกระตามถ้าไม่ทูห์ไมต่อเนื่องกันมันก็ไม่ติดไฟทูธทูธทูแล้วก็หยุดวันที่ทูหไปต่อเนื่องไปสัญลักษณ์ไฟปรากฏแล้วมีควันมีฐานน้ำดำมีฐานแดงแดงแล้วเอ้ยหยุดซะก่อนไปย่ันอีกแล้ว คิดขึ้นได้ถุยิ่งทุยุ่เงินยุ่งทุยุ่งเงินยุ่ครูบาอาจารย์ท่านเดีนตายท่านเดีนตายตรงนี้แล้วพอเห็นควันเห็นฐานดำดำเห็นฐานแดงแด้เราหยาบไม่ได้ให้ตายไม่ตายให้ได้ไม่ได้ตายฟุกเกิดปัญญาญาหนขึ้นมาจะเกิดเร็วเกิดช้าเกิดขนาดไหนเท่าไหรก็แล้วแต่ด้วยบุญญาปารมีของเราของท่าน ขอยตั้งอกตั้งใจทำนี่คือวิธีการที่จะทำให้เราได้อัดได้ทำมาครองในหัวใจว่าเราเท่าที่ปรารบธรรมะสู่กันฟังด้วยความเมตตาของท่านพระอาจารย์สุชินเมตตากตันยูกะตะเวทีบูชาบุญคุณของครูบาอาจารย์ท่านกเฟื่อและกระ่านรำเมตตาให้เราขึ้นมาพูดธรรมะ เพื่อพกเราทั้งหลายได้ยินได้ฟังข้อแตกต่างที่ครูบาอาจารย์องนั้นกรรสชาติอย่างหนึ่งครูบาอาจารย์องนี้กรรสชาติอย่างหนึ่งครูบาอาจารย์อง์นี้กรรสชาติอย่างหนึ่งใครชอบรสชาติอย่างไหนเลือกเอาไปบริโภคตามถนัดเพื่อความผาสุกในปัจจุบันเพื่อความผาสุกเป็นวิบากเพื่อความผาสุกทำให้เกิดสติเกิดปัญญาในปัจจุบัน ทำให้เกิดความผาสุกมีสติปัญญาเป็นปิบากทำให้ในรอบความสุขทางวันนี้วันหน้าเดือนนี้เดือนหน้าปีนี้ปีหน้าพบนี้พบหน้าเพื่อหวังพ้นทุกข์พ้นภัยในวัฏสองสารเพราะฉะนั้นวันครบครอบครูบาอาจารย์เช่นนี้เวียนมาเราเป็นไม้เป็นมือเป็นตีนเป็นมือให้กับครูบาอาจารย์มาช่วยนู่นช่วยนี้ช่วยบ อ, อกครงท า, จางจากนี้จากนี้ แล้วก็เป็นหมู่เป็นกลุ่มจะให้เป็นกองงานขึ้นมาทั้งหมดเหล่านี้ล้วนวมีผลมีอันนิสงผลอันนิสงทั้งหลายทัานพวงเหล่านี้แหละเราไม่ต้องไปเรียกร้องไม่ต้องไปอ้อนวอผลอันนิสงทั้งหลายเหลนี้จะอํานวยอวยใจพรให้เราทั้งหลายประสบความสุขความเจริญท่านทั้งหลายหวังตั้งใจประพฤติธรรมหังตั้งใจปฏิบัติธรรมขอให้ทุกท่านทุกอง์ได้ประสบพบเห็นอัตธรรมโดยทั่วทั่วกัน เอวัตอิชิตังปฏิตังตุมหังทิปเมวัสมิจชาตุสัเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนัรโสยธามนิโชติรโสยธาสัพพิธโยมิวัตจันตุสปโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโสุขิทีกายโกภวะอภิวาทนาสีริสานิจมุทธาปจายโน ยัตตาโรโธธรมาวัฒนิอายุวโนโอสุขังพระลังอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วบูชาบูชาคุณท่าน พ, พ่อเฟื้อบูชาคุณท่านอาจารย์ชิชินเสร็จแล้วไปนอนต่อ